จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรีสันผู้ใฝ่ธรรมทุกๆุท่าน <c oughs> วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาทำถามตอบคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ใดมีคําถามอยากจะถามก็ขอเชิญเข้ามาร่วมได้เราจะเริ่มตอนที่โตเกียวก่อนกรุงโตเกียวเอกชัยนักขุน เด็กชาย น, นคุได้ยินไหมครับเป็นครับอาจารย์เออเป็นเด็กดีกรึเปล่าแล้วเด็กซนเป็นเด็กดีค่ะเออดีนะอไม่ซนนะคนนี้ก็เป็นเด็กดีครับนี่ก็เป็นเด็กครับอาจารย์เออดีมากไม่มีวันไหนที่ชนเลยโออย่ามโม้เลยอย่ามโ <laughs> <laughs> าม้เออโมเก่งกั น, กนไหย ฮม่เป็นไรจริงเลยนะครับโอเคโกหกโกหกไปไปไปนรกนะโอ้โหคุณพ่อครับใช่แน่ใจว่าไม่สนใช่ไหมโอเคแล้วมีอะบอกพ่อบอกพ่ออาจารย์หนิครับอ๋อวันมาค่ะเสาร์น้าหนูไปวัดใช่ไหมโอ้ว่างนะเห็นวัดอะไร วัดที่เราไปไหว้พระตอนปีใหม่ไหมคะไหว้พระอะไรที่หนูไปเป่าใบไม้งถูวัดหลวงตาสมใช่ใชใช่โอเคมีมมอะไรจะบอกพระอาจารย์อีกไหมไม่มีไม่มีอากาพระอาจารย์ก่อนว<บ>า n a m a s k กะเจรศยนารามาจากสายามารมามอุดมันบอกพระจิตรันหาพระอาจารย์ รู้จักคำว่าไซโยนาระไหมไซโยนาละคืออะไรแบบพี่อาจารย์คืออะไรครับรู้อ้าวคืออะไรอะเวลาเวลาวางโัรศัพทบใช่ไหมโอเคไซโยนาละพ่ออาจารย์ครับครับกลับสวยๆดอกโบสสวยๆกลันวัตกรรพ่ออาจารย์เป็นเดกดังเป็นเด็กดีนะครับ ค่ะหนูไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์โอเคถ้าไม่มีก็จะเล้กไปกลับพระอาจารย์กลับนมัสการโจคานกลับนมัสการเจคาไปที่จำาทกับเจสซี่ก <c ười> ลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะไปยังไงต่วันนี้ว่ส่งกันบ้านเช่นเดิมครับอ่ามามา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เป็นไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายเป็นไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากแต่ของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นงานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่เพื่องาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบปนปาปเราจะเป็นท้ายญาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสุดไปเราทั้งหลายคุณพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกวักนเถอดยามไปจนวันตายหน่อยนะยอมได้ไหมเวลาแก่เวลาแก่ยอมรับไหมยํารับครับเวลาเจ็บยอมรับไหม ถ้ายอมรับเวลาตายยอมรับไหมยอมรับก็ถ้ายอมรับก็ใจก็จะไม่ทุกขนะ์เนี่ยถ้าไม่ยอมรับใจก็จะทุกขนะ์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับยอมอยู่เย็นนะยอมอยู่ต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายสู้เขาไม่ได้หรอกเขาชนะเราแ น, น่ๆ เ, เราไม่ต้องไปสู้ให้เสียเวลา เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าทำไงนะอดทำใจนะทำใจจะไม่ทุกข์ <ๆ S 2> กแล้วส่วนร่างกายเราี้มีอะไรบ้างล่ะมีผมขนลเล็บฟันหนัง<ม>เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ า, มาหัวใจหลับขงังผืชไต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 น้ำเสลน้ำดีเพื่อในสมองสีสัะอาหารเก่าอาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไตท้งผืชตับหัวใจม้าเพื่อนกระดูก<ๆ>กระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บผวผลเห็นเห็นยังเวลามองคนเห็นเข้าไปทะลุหรือย่างมีเอ็กซเรย์ตายอย่าง เริ่มมีอเอซเรยาร์แล้วค่ะนั่ ม, มีนะอ่นนะั่เป็นกนารดูค่ะนะค่ะออย่าเห็นแต่นหนังอย่างเดียวนะต้องมองเข้าไปใต้ผิวหนังด้วยนะคะรับโอเคมีคําถามอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเลยคุณน้าก็ไม่มีนะปฏิบัติอยู่แบบวจาจังเริ่มจับลมได้นะคะเริ่มเริ่มเข้าใจว่าดูลมยังไงกันะคะแล้วก็ แต่ว่ า, างวันก็สนุกบางวันไม่สนุกแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ก็นั่งทุกวันให้มันเป็นเหมือนกับกิจวัตรของเราเ อ, อพยายามฝึกไปเรื่อยเรื่อยเื่อตอนนี้พยายามให้มันทำอย่างต่อเนื่องส่วนผลจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่สติของเราบางวันสติดีก็จะได้ผลดีบางวันสติไม่ดีก็ผลก็จะไม่ค่อยดีแต่ถ้าไม่ทํามันก็จะไม่เกิดผลนะดังพยายาม ทำกำหนดตารางเวลาไว้วันนี้จะทำเวลาไหนทำไปถึงเวลาก็ต้องทำไม่ไงั้นมันจะหาข้ออ้างเล ย, ยไม่ว่าเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่คนนู่นคนนี่ต้องหาเวลาแต่ถ้ามีอะไรที่ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปนอกจากว่าเป็นสิ่งที่มันจาเป็นจริงๆปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องมาชเดเชยทีหลัง เอามาใช้นี่นะค่ ะ, คะแล้วก็กินมื้อเดียวได้สามวันอ่าเป็นไงหรือว่าได้ uckles, ได้อยู่อยู่ที่ใจค่ะหนูคิดว่าอยู่ที่ใจเอ่าใช่เราถ้ามันหิ ว, ว่าคิดถึงปฏิพูลของอาหารบ้าง อ, อาหารมันน่าดูในจานแต่ว่ามันเอาไปดูในโถส้วมดูมันน่าดูไหมเหมือนไส้กรอกดีๆนี่นะ ก็อาหารทั้งนั้นนะไม่ใช่นะมันมาจากไหนนะอาหารใหม่อาหารเก่าไงอาหารใหม่ก็อยู่อยู่ในจานเไงอาหารใหม่อาหารเก่าก็อยู่ในถ่วส้วมนะโอเคนะขอบคุณพระเจ้ามาที่ตะวันบตะวันหายไปไหนมาไหนอาทิตย์นี้เรียนนะ ครับมมประชันครับอืมแม่ไม่อยู่เลยเอ่อคอลงเิดุระครับอ่าแตะวันมีอะไรไหมเอ่อแค่ส่วนคคำตวันครับ อ, อ่มีอะไระถามาเลยเอ่อของเปสตาครับองอะไรนะเอ่อสเปสสตารเปสสตารแปลว่าอะไรเลยใช่ครับสเปสแปลว่าทั้งหลายทั้งปวง everything e e v e r y t h i n g สัตว์ตายก็คือสัตว์ที่เวียนว่ายในในในใ น, ในเวียนว่ายตายเกิดในใตายพบในสังสารวัตรก็คือมนุษย์เทวดาเนราชา้างเปรตอะไพวกนี้เป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเวลาให้ความเมตตาต้องให้ต้องให้ความเมตตากับทุกคน ไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่เราชอบอวันที่เราไม่ชอบเราก็ต้องให้ควาเมตตาของเขาอย่าไปรังแกเขาอย่าไปทําร้ายขเขาเข้าใจไหมเข้าใจครับอืส่วนบทแผ่เมตตาเลยอมีชอบครับเข้าใจความหมายเปล่าส่วนนะ้ำมันก็เป็นกบับ ช่่เอ่อเอ่อปมอะไมรก็ปมอะไรนะอ่อโอเคไม่มีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเดียวอันที่ก่อนเดี๋ยวถ้าคุณแม่ามาทีหลังถ้าะถามเดี๋ยวจะให้ถามทีหลังต่อนะดีครับโอเคเอ่อไปนี่คุณบอกวิเชษก่อน อาจรย์นมา ส, สการ์พระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสัญญากับปัญญาครับอาจารย์โดยสัญญาก็คือความจำความจำได้ไหมายรู้ที่เราเห็นอะไรเราก็จดจำไหมพอครั้งต่อไปเราเห็นปั๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นอะไรแต่สัญญามันก็ไม่เที่ยงบางทีมันก็ลืมได้ ถ้าเร า, าจำเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปคิดถึงมันสักพักหมมนึ่งบางทีก็ลืมได้่สิ่ ง, งที่เราเรียนมาบางอย่างมันก็ลืมได้ใช่ไเช่นชื่อของอะไรต่างๆสิ่งในที่ต้องใช้ความจำเนี่ยมันลืมได้แต่ปัญญานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ลืมเป็นความความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ จากการที่สัมผัสกับใจด้วยใจโดยตรงเช่นทุกเนี่ยเาแล้วเกความทุกข์ข้นมานี่มันก็รู้ว่ามันมีทุกข์ถ้ามันได้ปฏิบัติมันก็จะรู้เหตุของทุกข์ว่าเกิดจากความอยากต่างๆการที่จะทําให้ความอยากหายไปก็ต้องหยุดต้องใช้มากต้องเจริญมาก เช่นทานสีงภาวนาในมากคแปดเนี่ยอันนี้ก็จะมาหยุดความอยากได้ถ้าทําสําเร็จมันก็จะเข้าใจนะมันก็จะไม่ลืมมันเป็นสิ่งที่เกิดจากความเข้าใจไม่ได้เกิดจากความจําต่างกันปัญญานี้เป็นสิ่งที่เกิดจากความจําไอ้ความเข้าใจพอเราเข้าใจแล้วเราจะไม่ลืมเช่นเราเข้าใจวิธีบวกลบคูณหารแล้วเราจะไม่ลืม แต่ถ้าเราจดจำนี่เราอาจจะลืมได้มือ่อย่างต้องจดจำเช่นสูตรคูนี่ต้องจดจำถ้าไม่ไม่จำมันเดี๋ยวสภาพมันก็ลืมได้กมันอยู่ที่เรื่องมานเรื่องบที่ถ้าเรา เกี่ยวกับเรื่องความจําเช่นจําประวัติศาสตร์จําชื่อคนเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีนั้นพอสอนนั้นอันนี้เราอาจจะลืมได้ น, นเหตุการณ์ที่เราพบปะด้วยใจของเราอืเช่นใครเขาด่าเราทําให้เราเสียใจพอเราได้สติกลับมาเขาบอกว่าเราเสียใจเพราะเราอยากให้เขาชมเรา พอเราเปลี่ยนใจเราอ่ไม่ต้องอยากให้เขาชมเราเขาจะด่าเราก็ได้เขาจะชมเราก็ได้แล้วอย่างนี้เราก็จะไม่เราก็จะไม่เสียใจแล้วจจมันก็จะจําันมันก็จะจําไปตลอดชีวิตอันนี้มันจะไม่ลืมก็มีคนถามว่าพระอรหันต์เดิมอะไรได้ไหม ก็มีคำตอบคุณเพระเจ้าตาบว่าก็ลืมได้นืมชื่อคนลืมอะไรหนึ่งต่างลืมถ้วมีอะไรที่พลาดอะไรไม่เลยมันก็ไม่ก็คือตายรักอริยสัตว์สีนี้ไม่หนึ่งอามันเป็นความเข้าใจก่อนจาความเข้าใจรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เลยรู้ว่าไม่มีตัวมีตนไม่หนึ่ง ดูว่าถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นของเรามันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่มันจะไม่ลืมมันจะไม่กล้าอยากกับทุกสิ่งทุกอยาก่างมันก็จะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎของอนิจจังอนัตตาไปใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติเนี่ยถึงมันได้ยินได้ฟังเนี่ยพอถึงเวลาก็ลืม เนิมได้เนิมงบอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอไปเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ใช่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นอนัตตาก็เลยอยากให้เขาดีหรือไม่ดีไงเราก็ไม่เป็นไปตามความอยากก็ทุกข์ขึ้นมาอันนี้แสดงว่ายังไม่เป็นปัญญาเป็นสัญญาได้ยินได้ฟังรู้ว่าริยสัตว์สี่เป็นไงรู้ว่าตายรักไป็นไงแต่พอเจอของจริงยัง ยังทําใจไม่ได้ยังหยุดความอยากไม่ได้เป็นอยากไม่ให้เจ็บไข้ไม่ใ้ปวดพอเกิดความเจ็บไข้ไม่ใ้ปวดขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันหายหรือบางทีเพียงแต่คิดถึงมันก็ทุกข์ละอยากไม่ไม่ให้ไปไม่ให้เป็นมะอะไรอย่างเงี้ต้องปีหนึ่งต้องไปตรวจร่างกายทีหนึ่งก็ปัญหาคอยอย่าให้เป็นอะไรเลยนะ อันนี้แสดงว่ามันเป็นสัญญาแล้วลืมแล้วว่า่างการมันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาออืืถ้ามีปัญญามันก็จะเฉยๆไปตรวจก็ตรวจผมออกมาไงก็รับมันได้เพราะมันปฏิเสธมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นโลกนี้โลกนี้ก็ต้องเป็นแต่ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเพราะใจไม่ไม่ได้มีความอยากให้มันไม่เป็น ยอมรับกับความจริงอันนี้เรียกว่าปัญญาถ้าถ้าเป็นปัญญาก็ดับทุกข์ได้ความรู้ที่เรารู้เนี่ยแต่ถ้าดับทุกข์ไม่ได้ก็เป็นสัญญาลืมไปนะลืมมาิยาศาสตว์สีนลืมใจลักไปลนะมันจะไม่ลืมก็ตอบว่างต้องเจอของจริงเปไปเจอไปตรวจโรคคราวนี้หมอบอกเป็นมะเร็งนะ พอใจจะเริ่มทุกขึ้นมาว่าพิจารณาว่าร่างกายเป็นอะไรเป็นตายรักหรือเปล่าเป็นอนิจจังหรือเปล่าก่อนแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเห็นว่ามันเป็นตายรักแลเปลี่ยนแปลมันได้ไหมไม่ได้มันเป็นตัวเราหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดมาดูแลมันไปพอพิจารณาด้วยบัญญัว่าเป็นอนิจจังเป็นแล้วตามมันก็หยุดความอยากได้ ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงทุกข์ก็หายไปที่นี้มันก็จะไม่เหลือมันต่อไปทั้งต่อไปร่างกายจะเจ็บจะแก่จะตายมันก็จะไม่ทุกข์เพราะมันจำมันมันเข้าใจมันไม่ได้จามันไม่ได้เกิดจากการเกิดจำมันเกิดากเข้าใจพราทุกข์เพราะความอี่ย อยากให้มันเที่ยมอยากให้มันเป็นของเราไป น, นานแต่จริงมันไม่เที่ยมมันได้เป็นของเราเอามันจะจากเราไปเราก็เลยทุกคนเพราะเราอยากให้มันอยู่ต่อไปอันนี้ถ้าถ้าเจอของจริงถ้าผ่านผ่านความเจ็บความตายได้มันก็จะไม่ไม่กลัวความเจ็บความตายไปต่อไป แะนี่คือปัญญายังไม่มีวันลเลยว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิไปปัญญาสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัติพอยะเข้าใจไหมเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์อตอบเพราะคนอย่างสูงครับแต่ถ้าเรายังไม่ปฏิบัติเนี่เราอาจจะลืมได้อาจจะลืมใจรักได้ เวลาขโมยขึ้นบ้านขโมยของไปบางทีก็เสียใจเสียดายของเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าลืมใจรักนะหรืว่าของในบ้านของเราก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าของเรามันก็ต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆใช่ไหมมันไปแล้วแสดงว่าไม่เป็นของเราแต่เรายังอยากให้มันอยู่กับเราไปอยู่ของเราอยู่พอมันไปก็เลยเสียใจไม่อยากให้มันไป ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันข้าวข อ, ง ก, อกะะงก็เหมือนกันราบยศสรรเสริญก็เหมือนกันเดี๋ยวันนี้คืนนี้เขาก็ปลดเราออกจากตําแหน่งได้หรือวันดีเป็นนี้ไล่เราออกจาก ง, งานก็ได้อันนี้ก็เป็นอนิจจ์นนเป็นอนัตตาเป็นอย่างนทุกพออยากจะอยู่ต่อไปอยากจะแม่เก็ปลดเราไล่เราออกจาก ง, งานอะ ต้องปฏิบัติต้องเห็นทุกเห็นทุกแล้วเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราแล้วเห็นว่าอยากไปก็ป่วยการเพราะมันเป็นของจริงมันเป็นท้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนก็ยอมรับมันไปหยุดความอยากไม่ให้มันเที่ยงหยุดความอยากไม่ให้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังครั้ได้แล้วก็หายทุก ครับจะน้อมนําไปปฏิบัติครับอาจารย์กับครู <Okay. S 2> ผู้ใหญ่สูงครับอ่ันต่อไปคุณสรารตะการจากชัยนาเชิญคุณสาธตะการเดี๋ยวได้ยิ <c oughs> อนอได้ยินนะพูดได้เลย <c oughs> ไม่มีคําถามครับอาจารย์มาฟังทำค่ะโอเคสาธุในประเด็นคนที่ติ่มา นอนแมวกาบละมัศการค่ะภรอาจารย์วันนี้เข้ามารับฟังธรรมค่ะอาจารย์โดดเรียนไปหนึ่งคาบค่ะอาจารย์ไห้เวลากาลังมีอนิจจังเหมือนกันมเแน่นอนใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังฝึกสติทุกวันค่ะพรอาจารย์ยังถือศีลแปดอยู่หรือเปล่าอ่าถือ จะถือเป็นจันถึงพืชหัสแทนค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับบ้านต้องทานข้าวกับพ่อแม่ค่ะก็เลยไม่ได้ค่ะเราไม่ได้ไม่ถึงโอเคค่ะพระอาจารย์ใช้ทาทางแข็งแรงนะคะญาสาธุเจ้าอนุสาวรีย์เป็นไงสติยังอยู่หรืเปล่านำมาประการเจ้าค่ะพรอาจารย์ก็กระเจิงกระเจิงค่ะรันเวทลายหมดเลยค่ะสร้างลันเวยังไม่ทันได้เลยค่ะ กำลังสร้างอยู่ค่ะพระอาจารย์อืแต่ก็ดีค่ะที่พระอาจารย์เตือนไปสอนไปมาทิดก่อนคะ่ะก็ทําให้มีสติมากขึ้นว่าอยา่าถ้าเกิดวันไหนทําไม่ได้ก็อย่าใจเสียหลังจากนั้นก็ไม่ได้จริงๆนะพระอาจารย์อืมอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างกดดันตัวเองเรื่องงานเยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่เหตุการย์บังคับให้เราคิดจะมาเราเม่มีสติไปจนจิตคลุ้งซ่านเลย ฟุงเยอะค่ะพระอาจารย์แต่งแต่งไปเยอะด้วยค่ะไปคิดหนูก็คนรอบๆตัวหนูก็โอเคอยู่นะคะตัวหนูเนี่ยแหะคะ่ะพอมีสติมามองจริงๆแล้วหนูก็ทํำลายตัวเองหมายถึงคําพูดก็ค่อนข้างจะดุตัวเองเยอะอะค่ะพระอาจารย์อืก็เดี๋ยวตั้งใจใหม่ค่ะอืนิสัยเดิ่มันยังแรงอยู่ความอยากมันยังเยอะอยู่พอจะไม่มีสติควบมันเก่าเหมือนเปิดปากคอกเปิด เปิดค้องให้สัตว์ออกจากค้องไปเนยมันก็จะออกมาเมันกันแยกกันออกมาเลยกิเลสทั้งหลายเวลามีสติก็เหมือนกับเราปิดประตูค้องไปคล้องวัวค้องควายพอเวลาไม่มีสติก็เหมือนเปิดประตูวัวควายมันก็เราอยู่ที่ปากคล้องมันก็วิ่งออกมาเลยใช่ค่ะพระอาจารย์พอดีเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ใจสั่นใจสั่นนิดนึงด้วยค่ะเป็น เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้นึกถึงเรื่องที่ทำให้หนูเซ่ตอนนู้นนะคะพระอาจารย์มันก็ยิ่งเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่ามันวิ่งกันออกหมดเลยค่ะหลุดร่วหมดเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็ถ้พยายามฝึกตอนเช้าก่อนตอนคืนตอนเดอ น, อ น, นางขึ้นมาตอนที่เราไม่ได้เล่ยุ่งกับใครตอนในั้นยังเป็นเวลาที่สันดีนักนการฝึกสติไป นำตนกับพุโทโธพุโทโธตินเขึ้นมาเลยลเน้นเฝ้าดูว่าร่างกายรตอนนี้กำลังอยู่ไหนระยาบทไห น, นกำลังทำอะไรดูันไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จ้งการจะไปถึงที่ทำงานหพบปะกับคนคนนั้นก็ันต้องผ่อนต้องเป็นไปตามเหตุการณ์ ถ้ามันฝึกไว้แล้ว <así S 1> มันจะไม่มันจะมันมันจะพยายามอะไรคอยรับยับยั<ๆ>้งไว้อยู่แน่ๆค่ะเดี๋ยวไปสร้างสร้างตากข้อไว้ที่ดีค่ะพาระอาจารย์แล้วก็พอนั่งสมาธิค่ะหนูใส่นาฬิกาสุขภาพอคะค่ะปรากฏว่าน่าจะความดันเลือดอะไรนึงคงดีมั้งคะพาระอาจารย์หมายความว่าหนูไม่รู้ว่าหนูหนูคิดว่าเกี่ยวอคะค่ะมันกลายเป็นว่าไอพวกความเครียดในร่างกายดีขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์นอนหลับดี สุขภาพกลายเป็นดีไปค่ะพะอาจารย์ใช่เพราะความเครียดมันกิดจากความารุ่งร่างความอยากของของใจความวิตกกังวลต่างๆพอเราฝึกสติฝึกสมาธิทวามวิตกกังวลก็มันก็ค่อยๆเหมันก็ลดน้อยถอยลงไปถึงแม้ยังจะไม่หมดยังไม่ได้หมดอย่างถาวรเพราะเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาอใช้สติมันก็ช่วยลด ความวิตกกังวลหัวใจความหนัก อ, อกหนักใจอะไรมันก็เบมาม่าวนมงนไปใจก็เลยเบามันก็เลยไม่ไปกดดันร่างกายอี ม, าารอรรมพระอาจารย์ดีค่ะก็อาศัยธรรมมาพระอาจารย์นะคะคุณแม่หนูก็ฟังพระอาจารย์ด้วยตอนนี้เลยสบายใจค่ะแม่ก็ฟังพระอาจารย์ไปด้วยแล้วก็วันนี้คุณดิศยาฝากกราบเรียนพระอาจารย์ว่าไม่ได้เข้าเจ้าขาเพราะว่าน้องน่าจะ ไม่แน่ใจว่าติดโควิดหรือเปล่าแต่คุณพ่อน้องพบเชื้อแล้วค่ะแต่น้องส่วนคุณดิศยา น, นั้นคือไม่สบายครับเป็นหวัดลงเสียงเปลี่ยนเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยฝากกราบเรียนพระอาจารย์ด้วยค่ะไม่ต้องร้อนรระวังเนี่ยประมาทอย่างตอนเช็คมันก็ยั ง, ยา ง, ยา ง, ยางสามารถติดเชือ้อกันได้ยอยู่อืา อ, อย่างมีเราอยัางมีน้ำบาดใส่ใส่แมสก อ, อยู่ทุกวัน ค่ะว่าดีเจ้ า, าค่ะาพระอาจารย์วันก่อนที่ไปเขาที่สามีหนูก็กลับมามาคุยหนูที่บ้านว่าเท้าพระอาจารย์ดูบวมๆนะหนูไม่ได้มองเลยค่ะเวลาเจอพระอาจารย์โมแต่ดีใจมองแต่หน้าพระอาจารย์ส่วนสามีหนูไปมองเท้าค่ะพระอาจารย์ว่าเท้าพระอาจารย์บวมหนูก็เลยแต่ ก, ก็ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ยังบอกสามีเลยว่าก็นี่แหละท่านถึงต้องนั่งรถที่ที่นั่งรถมันจะอย่เป็นบัวเท้าบวมมันเดินได้แต่ๆๆ แนี่มันมันเจ็บหลังเวลาเดินไปทั้งภาคกลางมันจะเจ็บหลังเอ๋อแล้วที่เท้าบวมเป็นอะไรหรือเปล่าอาจารย์มันบวมมาตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาเนี่ยสองปีแล้วอืมค่ะจะได้ได้บอกเขาค่ะเขาดูเป็นห่วงพระอาจารย์ค่ะจะได้ไปบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรคือเป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวหนูจะไปฝึกสติอยู่เรื่อยเจ้าค่ะ ขอให้พระอาจารย์พัดแข่งแข็งแรกนะคะพระอาจารย์ค่ะอ่าขอบคุณเจ้าค่ะมันฝนมันแช่มันฝนวันสาวที่แล้วมาฟังทำหรือเปล่าสาวที่แล้ใช่ไหมเห็นไกลไกลไห่แน่ใจค่ะใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์กลับนรัสการพระอาจารย์ค่ะก็วันวันเสาร์ที่เราไปเอวันศุกร์ค่ะพระอาจารย์ใช่เจ้าค่ะก็พอดีวันพุธที่ที่ซูมมาเรียนแจ้งพระอาจารย์ตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะ แล้ววันพฤหัสคุณห้อก็แอดมิดก็กว่าจะได้ห้องกว่าจะอะไรก็ตีสองกว่าถึงบ้านก็นอนตีสี่เช้าตื่นนะหกโมงแวะเขาไปส่งลูกเข้าฟิสไปทำงานเสร็จสิบโมงก็ขับรถไปพัทยาไปฟังธรรมอาา่ะค่ะแล้ว ทีนี้ระหว่างขับมันก็ง่วงใช่ไหมคะแต่ว่าหนูก็ฝึกสติตลอดทางระหว่างขับเลยอะค่ะพระอาจารย์<ม>เราก็เลยทําให้ไปถึงวัดแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าฝึกสติมาตลอดนะคะก็พยายามนั่งสมาธิตอนที่ระหว่างที่พระอาจารย์เทศนะคะแล้วหนูก็พยายามที่จะเอาไปจับแต่กระเสียงธรรมอะคะ่ะแล้วก็ก็หนูก็ตกใจตัวเองว่านั่งจนจนพระอาจารย์เทศจบได้อะคะ่ะ<ม>ก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะคะ อ่าแสดงว่าสตินั่นเองก็มันก็มีหลายๆคือหนูกลัวงะะ่วงอะหาะเพราะว่าแบบเหมือนมันมันมีอากาศใครจะง่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วตอนหนูนั่งอะคะ่ะหนูก็เลยกลัวแบบเดี๋ยวจะง่วงอะคะ่ะก็เลยต้องยิ่งพยายามแบบมีสติเอาเอาหูอยู่กับเสียงธรรมตลอดเวลาเลยะคะ่ะว่าถ้ามีจังหวะช่วงที่เหมือนแบบจะจะแอบบงี่จะง่วงอย่างนี้ก็จะฟื้นตัวขึ้นมาแบบ จับอยู่กับเสียงธรรมอะค่ะพระอาจารย์จนหนูรู้สึกว่าอืมเหมือนมันจะมีเวทนานะคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยไม่ค่อยทราบถึงเวทนาค่ะก็เพราะว่ามัวแต่อยู่กับเสียงธรรมอะค่ะอยู่เพราะความพยายามของเราความพยายามมันอะไรช่วยให้เราทําันในสิ่งที่ยากได้ก็ก็แปลกใจพอจนพระอาจารย์เทศจบหนูยังรู้สึกว่าอ๊ย จบแล้วหลออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกยังนั่งต่อได้อีกนิดนึงน ะ, อ, ะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าพยายามต่อไปอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออ่ไม่ได้เกิดความลิงโลดหรือว่าอะไรอ่ะคะ่ะก็มันก็ผ่านไปแล้วอะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องวาระหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะค่ะก็เป็นยามันแสดงให้เราว่าถ้าเราทําอย่างนี้มันก็จะได้อย่างนี้ค่ะ ก็ก็ทําให้รู้สึกว่ามีกําลังใจมีความพยายามต่อค่ะก็ทุกวันนี้ก็ฝึกฝึกสติพยายามจะถ้ารู้ตัวก็จะพยายามภาวนาพุโทโธหรือว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่ทําอยู่อ่ะค่ะทุกวันนี้ก็คิดน้อยลงอะค่ะอย่างคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลหนู ก, ก็ก็ดูแลกระตันยูตา่างถือก็มีความเป็นห่วงแต่ว่า นูก็ไม่รู้ว่าหนูจะกังวลมากไปทําไมเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราก็ทําดีที่สุดแล้วอะค่ะพระอาจารย์กไ็ไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะธรรมช่วยาได้ในตอนที่เกิเดเหตุการณ์ต่างๆค่ะเป็นเหมือ น, น, นข้อสอบว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคถ้าเราทุกเราเสียใจก็ไม่ผ่านสอบตกค่ะถ้าเราเฉยว่าวามเป็นอนิจจังทุกขกับหน้าตาเราก็จะไม่ทุกข์กค่ะ ก็ยังเราก็ก็เหมือนแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบมาคิดฟงสร้างต่อค่ะพระอาจารย์ว่าเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงน้นต่อคือไม่ได้คิดนะคะก็เหมือนกับอยู่กับตอนปัจจุบันนะตอนนั้นมาเออก็อ๋อเขาติดเชื้อนะก็พาไปรักษาเนาะก็หมอก็ดูแลอยู่นะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่แต่ตอนนี้คุณพ่อก็โอเคค่ะก็ก็ยังดูสดใสยังดีค่ะดีดีค่ะพระอาจารย์ต่หนูไม่ได้คิดอะไร่ะค่ะในส่วนที่เราทําได้ก็ทํำไป ส่วนนี้เมื่อทาเต็มที่ทแล้วนะมันก็ไม่ต้อจะทําอะไรอีกแปล่อยให้เป็นไปค่ะค่ะก็ก็กลับเรียนพระอาจารย์เท่านี้ละค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าพอไปได้ไปฟังธรรมะนากุติแล้วหนูก็ชอบ ม, มากค่ะคือไปครั้งที่สองแล้วก็คิดว่าคงจะมีครั้นต่อต่อไปนะคะอ่ายินดีต้อนรับจ้ะก่าวขอบคุณขอให้พระอาจารย์ท่าขแข็งแรงนะเจ้าค่ะอ่าไปที่แม่ต้องเล่นต่อแม่ต้ อ, องเล่น พระอาจารย์กลับจากทุกเจ้าค่ะได้กินหนูไหมเจ้าคะได้กินจ้ะค่ะสาธุค่ะหนูก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์หนูก็ดีใจมากเลยค่ะพระอาจารย์พออาจารย์พอพอพอาจารย์พูดเรื่องสัญญากับปัญญาใช่ไหมเจ้าคะ ห, หนูก็ตามหาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะรู้ว่าหนูมีปัญหาทา ง, างด้านร่างกายอะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ใจมันไม่ได้มีปัญหาไปกับร่างกายอย่างนี้เจ้าค่ะหนูก็เลยดีเจ้าค่ะที่ได้มาเจอพระอาจารย์เพราะว่า ส่วนตัวหนูเป็นพยาบาลใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นเหมือนกับว่าอยากเป็นดีเทลขายยาทางร่างกายใช่ไหมเจ้าคะพอมาเจอพระอาจารย์หนูก็เลยว่าหนูมาเปียกมาเป็นดีเทลทางใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็ตอนปัจจุบันนี้หนูว่าพยายามแชร์ธรรมทานจากพระอาจารย์นี้เจ้าคะ่ะเพราะว่าหนูมาสัมผัสแล้วว่าโอความฝันหนูลงเฟซบอบ่อยกลับเป็น ไม่ฝันเลยพระอาจารย์หายไปเลยหนูก็เลยบอกว่าโอ้ความฝันหนูหายเพราะว่าหนูฟังธรรมจากพระอาจารย์กับปฏิบัติ ด, ด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เติแล้สติมากความฝันก็นจะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ทุกค่ะหนูดีใจมากเลยหนูว่าโอ้ยาใจแบบดีเลิศมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยแต่ก่อนหนูก็ทานยาตลอดเพื่อรักษาร่างกายไงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าผ่าตัดตั้งแต่ขาถึงสมองพอหนูได้ยาใจ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์หนูก็เลยดีใจมากเลยได้ยาจากพระพุทธเจ้าด้วยเจ้าข้าพรเจาร้าก็เลยได้ธรรมะธรรมะอุษณรักษาใจส่วนยาหนูก็เลยแบบร่างกายสาธุเจ้าค่ะหนูก็เลยได้อบหนูก็เลยแบ่งมีหมออยู่สองหมอเจ้าข้าพเจ้า หมอทางร่างกายก็หมอโรงพยาบาลนี่เจ้าค่ะใช้เทคโนโลยีใช่ไหมเ mm. จ้าคะอาจารย์ mm. หนูหมอทางใจก็เป็นพระอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะพระอาจาร mm. Mm. ย์หยงก็เลยได้ดีด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะทำเอาสดสองคนก่าอนยาทางร่างกายออาค่ะจรดับความทุกข์ทางใจได้นี่มันมันดีกว่า ความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ทร่างกายมันไม่หนักเหมือนกับความทุกข์ทางใจค่ะทูเลยค่ะพระอาจารย์หนูเลยบอกว่าโอ้พอหนูก็เลยแทบจะไม่ได้ทานยาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm. พอไปทำงานก็ใช้แต่ยาทางใจอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm. ก็เลยไม่มีการฟอกไตต่อค่ะพระอาจารย์ถึงข mm. ลุ่มด้วยอย่างเงี้เจ้าค่ะโอเคจ้ okay. าทู okay. อาจารย์จะเปิดกล้องให้จะพูดไหมทาไมพูดเดี๋ยวจะข้ามไปน ะ, ะมาแล้วกับนรามาส ก, กรารค่ะพรนนอะอาจารย์วันนี้หนูมีวันนี้หนูมีคำถามจากพ่อเลี้ยงหนูคะ่ะก็มันจะเป็นคำถามภาษาอังกฤษนะคะพระอาจารย์แต่ว่าหนูขอเล่าแบ็กกราวด์วิดหนึ่งว่าพอดีพ่อเลี้ยงกับแม่หนู เขาแอบแบบมีปัญหากันนิดหน่อยเรื่องอค่อนข้างจะไร้สารานิดหนึ่งเขาลูกเลี้ยงของพ่อเลี้ยงหนูกับแม่ค่ะเขาเหมือนไม่ได้ทะเลาะอะไรกันแต่เขาก็เหมือนเวลาที่ไปอยู่ด้วยกันนะเขาจะไม่ค่อยมีความสุขก็คําว่าอยู่ด้วยกันก็คือไม่ใช่ในชีวิตประจําวันนะคะอันนี้คือแค่เวลาไปเที่ยวแล้วแล้วแบบเจอกันอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ทีนี้แม่หนูก็อ่า มีทริปที่กําลังจะไปด้วยกันเขาก็บอกพ่อเลี้ยงหนูว่าเขาขอไม่ไปเพราะว่าเขาไปแล้วเขารู้สึกแบบทรมานใจเขาไม่อยากคิดไม่ดีอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วพ่อเลี้ยงหนูก็รู้สึกว่าอเขาโอเคถ้าเกิดว่าจะแบบเหมือนไม่ได้ถูกใจกันกับลูกเขาแต่เขาคือรู้สึกว่าการการกระทําสิ่งที่แม่หนูเลือกกระทะําอ่ะมันทําให้แม่อาจจะไม่ได้รับประสบการณ์ทางโลกที่เขารู้สึกว่าเป็นเรื่องดีเช่นการ เจ uh, อผู้คนญาติพี่น้องหรือสถานที่อะไรเงี้ยคะ่ะทีนี้เขาก็เลยฝากหนูมาถามคำถา ม, ถา ม, ถามกับพาอาจารย์ค่ะว่าหนูขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะคะ uh, When avoiding personal suffering, what if that avoidance causes immense suffering in others? Is there a point when some personal suffering should be endured rather than avoided to alleviate suffering for others? It's it's up to you whether you want to avoid suffering for yourself or avoid suffering for others. If you want to avoid suffering for yourself, then you just do it and forget about what other people may experience. As long as you don't do anything directly to hurt them or harm them, if they if they are hurt because you you refuse to do something that they want you to do. That's okay because you're not really hurting them. They are hurting themselves because they get they become disappointed due, due to the expectation. And when they don't get what they expect, then they get they get hurt. They they feel bad. But this is an unavoidable. Usually in Buddhism, we we look at ourselves first in in terms of getting rid of suffering. Yeah. As long as our our action doesn't directly affect or hurt other people, like physically harming them or something like that, then it's it's okay. Because uh, if if other people got hurt because of their own expectation or their own cravings, then that's their problem that they have to to deal with. <laughs> ค่ะเข้าใจค่ะทีนี้มันมีอนออีกนิดนึงนะคะ People are sentient, so husbands, wives, parents, children are involved in suffering. They suffer their own trials and tribulations, but in their attempts to avoid personal suffering, can those actions set the stage for suffering by those around them? Not that it would be intended, but rather as a consequence. Yes. And it's not it's not the the person who take the action. Like me, if you want to do something, as long as you don't hurt other people. Like if you want to become a monk, and you just leave the family and go to become a monk, you will hurt a, your family member, especially those who doesn't want you to to go to become a monk. But that's the problem. Say it's not you who who caused them this problem. The problem arises from the desire for you not to go away from them. But we all have to be separated one day, sooner or later. So you know, separation is part of life. And if you just go and do something great for yourself and not hurting other people, if they should feel bad about it, then that's too bad. Like the Buddha. The Buddha he left his family and palace, his wealth, and became a monk. But after his enlightenment, he then came back and helped other people make his the member of his family became enlightened also. Thank you. e Thank you much. t a y okay. u h a t a o a y t h a n Thank y n you. k u a y u t n o t a n Thank you. Thank you. t h a y u t h t a o a n a n Thank you. n you. h n t a y a a n Thank you. y u h a a a n Thank you. y u h a a a n Thank you. Thank you. Thank you. หนูคิดว่าตรงค่ะคือตอนที่หนูคุยกับเขาอะหนูก็บอกเขาแล้วว่าอันนี้หนูยกตัวอย่างหนูบอกว่าหนูก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวหนูถามพาร์ทจานให้แต่หนูคิดว่าอ่าถ้าเกิดว่าแม่หนูจะเป็นมละกรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะอยากให้แม่หนูเป็นกล้วยอ่ะออมันก็อาจจะเกิดความผิดหวังคนจนได้ใช่ค่ะก็คือคนทุกข์ก็จะเป็นเขาเองเลยประมาณนั้นเสร็จแล้วเขาก็ตอบหนูกลับมาว่าเอ่มละกอกล้วยมันไม่ใช่เหมือนคนมันไม่ได้มีแบบ feeling อะไรเง <c oughs> ี้ยหนูคิดว่าเขาคงแบบ miss the point หรือแม้็ตคือหน <c oughs> ูพูดผิดเองเยอะไ <c oughs> <c oughs> รเง้เขาคงไม่เข้าใจว่าคนเราเป็นต่าง <c oughs> กันคนเรา <c oughs> ก็เป็นเหมือนมะละกอเป็นน้ำส <c oughs> นะ้มแล้วแต่เราอยากจะให้ก็เป็นอย่างอื่ น, นก็เลยผิดหวังอะไรเงีแล้วหนูก็บอกเขาว่ า, วามันเหมือนมันไม่ใช่ คือมันไม่มีใครทำเราทุกได้จริงๆอย่างที่เมื่อกี้ี่พาร์ันบอกว่าสุดท้ายแล้วเราเองที่มีไซ r ที่ที่มีอะไรมี expectation นะเมื่อกี้นะคะที่ทำให้เราผิดหวังค่ะที่นี้หนูก็เหมือนเขายังไม่เข้าใจเขายังรู้สึกว่าคนอื่นเป็นคนทำให้เขาทุกอยู่อะไรแบบนี้นอันนี้เขายังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้มองลึกซึ้งเข้าไป มันจะมัจะมองว่าการกระทําของคนอื่นทําให้เขาทุกข์ะ<ช>ต่มองเรื่องยๆเข้าไปแล้วความอยากของเราต่างๆที้ทําให้เราทุกข์อยากให้เขา<ช>ไม่ทําอย่างนั้นอยากให้เขาทาอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปนตามความอยากเราก็ทุกข์นันเองใช่ค่ะ<ม>หนูก็แบบก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าหนูก็มีความรู้สึกว่าแบบเขาก็ คือจริงก็คือสิ่งที่เขาทําก็เหมือนสิ่งที่แม่ทําเหมือนกันก็คือแค่ว่าพอดีมันตรงข้ามกันคือแบบเขาอยากให้แม่หนูไปด้วยเขาจะได้อยู่ด้วยกันแต่แม่หนูอยากอยู่คนเดียว<ม>อะไรอย่างเง<ม>ี้ยที่ต่างคนต่างมีความอยากของตัวเองแต่แบบนั่นแหละค่ะมันไม่ตรงกันก็เลยทุกกันทั้งคู่<ม>คอนูคือเขาก็ฟังเหมือนเขาไม่ได้่ศึกษาพุทธศาสนาแบบแท้ๆนะคะเพราะหนูคิดว่าพุทธศาสนา คือคือเขาเข้าใจว่าเขาศึกษาพูดแต่ว่าหนูคิดว่ามันเป็นพรามมากกว่าที่เขาศึกษานะคะก็เพราะเขาฟังโยคีคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆในยู u ูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งท่านก็สอนให้เหมือนหนูเคยฟังก็ เหมือนทําให้จิตใจก็เบาบางลงนะคะแต่หนูรู้สึกว่าก็ยังคงไม่ยังยังเหมือนสอนให้คนมีชีวิตในโลกมากกว่าให้หลุดพ้นไปทางธรรมอะไระคะ่ะซึ่งหนูก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าอืมก็เหมือนคําแนะนําของท่านก็จะเป็นออกแนวแบบทํายังไงให้อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขอะไรแบบเนี้ยคะ่ะซึ่งมันก็ยังคงมีการได้การเสียมีความทุกข์เนี่ยอะไรแบบนี้อยู่ก็แต่ก็เลยว่า หนูก็ไปโมทเรื่องพระอาจารย์ให้เขาฟังบ่อยๆล่ะว่าหนูมีอาจารย์ที่แบบทําให้หนูไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเนี่ยค่ะเทคมาถามมาขอให้หนูแบบถามให้หน่อยเลยเดีหนูจะไปเปิดให้เขาฟังหนูจะแคปแค่ตรงภาษาอังกฤษโอเคดีค่ะอาธุก่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะสาธบไปที่คุณอนันต์น่อคุณอนันต์นงเชนแบบน้ำมัสเก็ดครับอาจารย์ วันนี้ไม่มีอะไรค่ะแต่วันนี้รุ่นน้องชวนรุ่นน้องเข้ามารางค่ะเพราะว่าก็มีคําถามทุกเยอะอาจจะเรียกว่านอนไม่ค่อยหลับพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้มาคุยกับพระอาจารย์และกันก็เห็นเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวคงมีคําถามกับพระอาจารย์ก็คงต้องรอคิวไปเรื่อยนะแล้วจะชื่อคุณลูกตาใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผู้ชายค่ะชื่อคุณผู้ชายเอออย่ามองแว่นเดี๋ยวคิ ว, ย, วยาวหน่อยอ๋อคุณอยู่ติกันนะ้อคุณคุณยุทธนานใช่ไหม ใช่ก <Okay. S 1> ็เลยบอกตากับพระอาจารย์น่าจะดีค่ะโ okay. อเคยันี้ก็ไปที่คุณยุทธนาเลยนะค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแร ง, ง, งนะคะอ่าสาวทุ่มาเชิญคุญยุทธนาอาปลปใหม่เปิดน้อยใหม่เมื่อกี้ก่อนนะโอเคก่อนทังเดียวพอครับมาสบายครับมาสักการ์พระอาาได้ยินไหมครับได้ยินแล้วชัดเจนพูดได้เลยครับครับสา ครับนมสการครับพดีวันนี้เข้ามาออลองจริงๆฟังอาจารย์มาหลายครั้งแล้วครับแต่จะเป็นการฟังย้อนหลังแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีเข้ามาไลฟ์บ้างแต่จะผ่านฟังผ่าน YouTube ครับจริงๆที่มีคำถามก็คือจะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับเพราะว่า เ, เคยเจอคนที่เราไม่ชอบนะครับในระดับคนางานแล้วเรา อ, อู่ภาใต้อ่า เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลูกน้องเขาครับทีนี้เนี่ยก็ก่อนหน้าที่เคยทำก็คือเวลาไม่สบายใจก็จะสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็เกอ่ยชื่อเขาไป<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้เนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าการที่เราแผ่เมตตาให้เขาไปแล้ว เ, เหมือนจะช่วยให้เรากับเขามีกรรมต่อกันลดลงไหมครับอาจารย์ อ๋อการแผนเมตตามไม่ได้เป็นการแผ่การแผ่เนื่องแผนด้วยการกระทำด้วยใจการสวนในใจของเราไปเขาไม่รู้เรื่องอ ก, การที่จะทําให้เรามีความเมตตาเขาเราก็ต้องยอมรับฐานะของเขาเราเขาเป็นนายเราเราเป็นลูกน้องเขาเราก็ต้องอ่อนน้อมกับเขาถ้าเราแผนเมตตาคือเราเราเร า, เราไม่มีเราขาดความรู้ว่า เราต้องรู้จักว่าเราอยู่ในสังคมนี่เราต้องรู้ตัวเราเราต้องรู้สถานะของเราแล้วเราต้องรู้ฐานะของคนอื่นที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาสูงกว่าเราต่ำกว่าเราหนี่เท่าเราเนี่ยนี่เขาสูงกว่าเราก็เป็นย่าไนเราเขาเป็นคนสัตว์เราถ้เราอยากจะคบค้าสมาคมอยู่เขาอย่างราบเรื่นก็เราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงกันนี้ถ้าเขาเป็นย่าไนเราเราก็ต้องยอมเป็นลูกน้องเขา แต่ถ้าเราอยากจะเป็นเจ้านายเขาอยากให้เขาเป็นลูกน้องเหล่านี้เดี๋ยวก็ต้องตีกันแน่แน่มาจ้างไหแ ม, แ ม, แม่แม่แต่ผ้ามาบวชนี่ยังต้องดูพันษาแลว่ายบวชก่อนใค่บวชหนังนี่ค่ายบวชก่อ น, น, น, อนแม่แต่บวชเียชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าเป็นที่ละต้องกราบคนที่บวชก่อนนะครับพระเจ้าสอนให้ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน การอยู่ในสังคมร่วมกันนี่ความอ่อนน้องธรรมตอนนี้จะทําให้มันน่ามึนเนี่ยออ ถ, ถ้าไม่ถ้าถือตัวถือเนื้ อ, ถ, อ, ถ, อถือตัวถือถือตนเป็นใหญ่ตนเป็นคนสำคัญอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันยากอยู่คนหนึ่งยากครับอาจารย์ก็มีมีนิทานเรื่องนึงสมัยพุทธกาลเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไปแสดงธรรมบดยาพี่น้องก็มีเจ้างชายอยู่ห้ารูปมั้ง ที่อยากจะรับออกบวช ด, ด้วยกันแล้วนอกจากเจ้าชายห้ารูปแล้วยังมีช่างตัดผมข อ, อบวช ด, ด้วยเจ้าชายห้ารูปเลยปรึกษากรับว่าต้องให้ช่างตัดผมนี่บวชก่อนเพื่จะได้เวลาบวชแล้วจะได้กรบช่างช่างตัดผมเพราะเขาบวชก่อนเราเขเป็นพี่เราเพราะการบวชนี้มาก็เพืมาละตัวตนเนี่ะ อารที่เราไม่ยอมไขในโฆษงว่าเรายังถือตัวอยูถอถอ่ถือตัวถือตวนว่าเราเราดีกว่าเขาเก่งกว่าเขายอดกว่าเขามันก็เลยทําให้จกอัตตาตัวตนซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นความจริงมันเป็นความหลงสร้างขึ้นมาสร้างให้เราทุกข์ก็มีตัวตนก็มันจะทุกข์ถ้าไม่มีตัวตนแล้วมันจะสบายมันไม่ทุกข์กับอะไรพ้ะเจ้าสอนให้เราหันธรรใจให้มันเหมือน ทำตัวเราเหมือนปัตตพีเห ม, มือนแผ่นดินต่ำที่สุดก็คือแผ่นดินในชะ่ไหมใครจะเหยียบใครจะย่ำใครยาจอบมาเสีย ม, มาขุดมาดินดินนันก็ไม่บน่นมันก็ไม่ว่าเลยทำตัวเป็นแผ่นดินนะมันจะอยู่กับคนทุกคนได้ขอบคุณครับอาจารย์อจนะมีอะไรไหมไม่มีล้ครับเดี๋ยว<ม>ไว ทางหน้าถ้ามีคำถามเสือเข้ามาด้วยครับแต่ก็ฟังทำได้เลยครับผมโอเคสาุมครับขอบคุณครับอรนอนนอนไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีนะโอเคไม่มีจะได้ไปที่ท่านต่อไปอาจารย์ผมไม่ไรก็ทำเ อ, าาองการรับประทรมพระอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีจ้ะ วันนั้นเรีกคนเตือนให้ยามมาแล้วนี่ครับอืมเป็นยังไงแขงแเป็นปกติแล้วใช่มเดี๋ยวน้ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะต้องไปให้หมอทุกท่านเห็นเห็นว่าสภาพโอเคอก็เตรียมตัวอยู่ครับแต่ว่าก็อาทิตย์นี้ก็หาไปสาหมอแล้วอ่าก็จะว่าไปตามตามตามวิชา ก, การครับว่าอากัศเขาให้แนละ้ว ตรวจก็ตรวจไปดูไปครไปดู อ, อะไรไปก็รักษาไปกายกายสุดหลองค่ะก็ต้องดูแลกันหน่อยค่ะอืมใจก็ต้องใ จ, ใจก็ต้องดูแลใจก็ต้องใจก็ต้องเบาใจก็ต้องไม่ทุกข์กับมันเด็กก็สบายค่ะของร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ มันจะเป็นอะไรมันก็ห้ามมันไม่ได้แต่จิตใจก็เบาสบายค่่ะอาจจิตใแล้วกคนสบายไม่เครียดหนูได้จิตใจตนเองทุกคนทําตัวสบายๆอะค่ะออว่ากันไปตามที่ต้องทำต้องเป็นไปด้วยกันทุกคนเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครยกเว้นค่ะก็ยังรับสบายกันดีค่ะเอ ่ะยังไม่ยังไม่เที่ยวต่อได้อยู่นะกเดี๋ยวร้องให้กายดีกายดีแล้วเดี๋ยวกิเลสพาไปได้ไม่ไม่ฟิตถูกไฟหลายเดือนอยู่ค่ะโอเคไม่มีแล้วนะไม่มีค่ะกาบนมัสการค่ะไปนราธิวาสกอมาริกาบริกาน้อมนมัสการเจ้าข้าพะจานค่ะ ก็รู้ก็มีอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับอะไรนะเหตุการณ์นะคะผู้อาจารย์เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในชีวิตเดี๋ยวปัจจุบันนี้แล้วผู้อาจารย์ที่มันเบาๆก็เราสามารถควบคุมมันได้เทครับอาจารย์แต่แต่ที่มันจะติดอยู่ก็อยู่ที่ความเป็นตัวตนก็คือเราเป็นหลงน่ะค่ะผู้อาจารย์ดังนั้นการที่เราจะ หลุดความหลงนี้ได้มีวิธีใดบ้างเจ้าค้าพระอาจารย์พระเนี่ยคอยตือนเราว่าเราไม่เราไม่ใช่ตัวตนนะร่างกายเราก็แค่ดินน้ำลมไฟใจเราก็เป็นธาตุลุ่มให้ลุ่มเฉยๆไปทาตัวเราแบาบไม่มีตัวตนทําเป็นแบบเป็นเหมือนกับดินน้ำลมไฟไปการที่ว่าเราไม่มีตัวตนตรงนี้ก็คือเราก็ต้องไปยึด ของที่ว่าไตรลักษณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะป้าจ๋าได้การหน้าตาหน้าต า, ตาไม่มีตัวตนต้ตตนไม้มีตัวตนไหมไม่มีใช่ไหมเจ้าค่ <zing> <ๆ>ะร่างกายเราก็เหมืนอนกับต้นไม้มันก็ทํามาจากน้ํำลมไฟเหมือนกันเแต่มีท่านรู้เข้าใจนี่ไปครอบคลองเหมือน้ตัวท่านรู้เนี่ยที่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา หรืตัวธาตุรู้เองก็ไปหลงที่ว่าตัวมันเป็นตัวเป็นตัวตัวตนแต่จริงๆมันก็เป็นแค่ตัวคิดเป็นตัวรู้ทานั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนแต่ตัวธาตุรู้นี้นะครับพระอาจารย์ก็คือถ้าสมมุติว่าเราขาดการพิจารณาไตรตรองด้วยปัญญาแล้วเราก็ไม่ผ่านเหมือนกันใช่ไหมเจ้าพระพาจารย์มันทั้งสองอย่างมันต้องเข้าสมาธิหยุดหยุดความคิดให้ได้พอหยู่ความคิดแล้วก็จะเนินแต่ความเนินแต่ตัวรู้ ตัวตนที่มันตัวตนเร้เก็จะรู้ว่ามันเกิดจากความคิดได้พอหยุดคิดตัวตนมันก็หายไปเนื่องจากตัวรู้พอเริ่มคิดมันก็คิดว่าตัวตนคิดละตัวตนมานะฉันคิดละฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ขึ้นมันมันก็อยู่ที่ความคิดเท่านั้นเองค่ะไอตัวความคิดนี่สำคัญมากเพราะว่ามันมีอยู่วันนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็คือลูกนั้นปวดหัวปวดหัวมากก็เลยมา ใช้ธรรมออุศก็คือการใช้สติพอใช้สติคือการปล่อยวางแบบไม่มีตัวตนแบบที่พระอาจารย์กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือเลยมันก็ประมาณสักสินาทีมันก็เบาเบาเบ า, เบาลงแล้วก็เราจะไม่คำนึงถึงว่าการเจ็บปวดแล้วก็มันก็หายไปค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือเป็นขั้งแรกที่ที่ทำได้แต่นั่นก็คืออย่างแต่ว่า มันก็ยังไม่เที่ยงนะครัอาจารย์ต้องฝึกไปเรื่อยๆเวลาเราทุกข์ก็แสดงว่าเราเอาตัวตนไปรับถ้าตัวตัวรู้ไปรับมันจะไม่ทุกตัวรู้ก็จะรู้เฉยๆตัวรู้ต้องบวกกับปัญญาที่เหมือนกับที่เห็นเห็นรู้ตายรักหรือรู้นิจจามนตตาสาธุเจ้าพระาจย์ไม่มีคําถามแล้วนะครับอาจารย์เค ไอ้เรื่องเล็กเสือกคุณสายใจใช่ไหมขอบน้ำรนพระตพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินใช่ไหมเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนวันนี้ลูกได้ยินมาจากไกลได้ยินชัดเจนชัดนะแล้วค่ะเราเปลี่ยนไมโครโฟนเลยไม่ไแน่ใจวันนี้อ้อลูกมีคําถามเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เมตตาช่วยเอบอกขั้นตอนของการ ผ่านข้อทดสอบในแต่ละด้านว่ามีข้อทดสอบแต่ละด้านอะไรบ้างอย่างเช่นเ อ, อด่านแรกท่านโลกเข้าใจก็คือในเรื่องของเวทนากองจนด่านต่อแล้วเสร็จจากเวทนาแล้วถ้าสมมุติว่าแล้วด่านต่อไปคืออะไรในแต่ละขั้งจนเสร็จจนจนเสร็จถึงจุดสุดท้ายอะเจ้าคะ่ะอ๋อความย่างขั้นต้นนี้มันขั้นแรกต้องอยึดต้องผ่านโลกกระมำ ตาบยศสารเสริญ ส, สุขต่างๆาของจมูกเนื้อง่ายมาเราเราเราเสียมันได้ไหมเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้ไหมเสียยศเสียตําแหน่งได้ไหมเสียการสรรเสริอได้ไหมมีแต่คนหนึ่งทางด่าว่ากล่าวแล้วก็เสียความสศกทางตาของจมูกเนื้ง่ายได้ไหมอยู่บบไม่มีคับไม่มีรูปเสียงกลบดนมาเสพได้ไหมไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องดู TV, ไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องไปอหาความสุขจากเดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบที่เราโกรธกินอาหารที่เรารักเราอย่าเงี้ยกินแบบกินยาได้ไหมกินอาหารแบบกินยาเดื่มเพื่อดื่มแต่น้าเปล่าได้ไหมไม่เสียงรูปเสียงกนลนนิ่นรสอันนี้ก็เสีย ง, งหนึ่งลแล้วท่านที่หนึ่งก็โลกธรรมเนอือแล้วต่อจากนั้นก็มาที่ร่างกายเราเ นั่งกายแล้วว่าร่างกายของคนอื่นน่าต้องแก่เจ็บตายต้องตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อยอมรับความตายได้หรือเปล่าแล้วก็อีกการที่ก็คือความเจ็บของทางร่างกายเรารับมันได้ป่าวเวลามันเจ็บคข้ได้ปวดเราทุกกับมันหรือเปล่าหมือเราอยู่กับมันได้ใช้เวลาปวดซีสต์ไปลาปวดเป็นไข้ปวดไปทั่วสภาวะรางกายเราก็ไม่ทุกกับมันได้หรือปล่า มันก็เป็นข้อสอบเวลาไปเจอเหตุการณ์ที่คิดว่าจะทําให้เราตายเราตกใจกลัวหรือเปล่าหรือเราเฉยๆนะ mm hmm. สุดท้ายก็เกิดตัวอารมณ์อารมณ์ของเราอารมณ์เราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเราเราทุกข์กับมันหรือไม่เวลาเปลี่ยนอารมณ์เ ป, ปลีย่ยนปวดไปบางวันอารมณ์เพลียอารมณ์นี้ อารมณ์เศร้าหมองเราเราทุกกับมันหรือเปล่าลรือเรียว่ามันก็เป็นแค่อารมณ์เป็นือดินฟ้ากายนั้นที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามเหตุตามเหตุการณ์ต่างๆ <Okay. S 1> คือสิ่งที่เราไม่จําต้องพยายามไม่ไปทุกข์กับมัน mm hmm. กายก็ความแก่ความตายเวทนานก็คือความเจ็บเวงนาน mm hmm. แล้วก็ จิตก็คืออารมณ์ที่แปรปรวนในจิตเนี่ยเจ้าค่ะแล้วอย่างขั้นของที่ต้องดูเรื่องของอสุภันี่ก็คือขั้นส่วนของกา ย, ากายอ๋อยังอยู่เจ้าค่ะว่าเราอย่างนองยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่สวยงามอ๋อค่ะส่วนถ้างั้นส่ว น, นของเวทนากับความตายก็คือมาก่อนอสุภัใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นท่านให้ร่าความ เวทนาของความตายง่ายก่อนเจ้าค่ะมันเป็นฐันห้าอยู่น่อมกันกายกับเวทนาเจ้าค่ะพอเสร็จแล้วก็อาสุพะอสุพะมันก็กายเหมือนกันมันผสมน้ำลายกันไั้เจ้ค่ะพอเสร็จจากอสุพะเสร็จแล้วก็คือส่วนของเออารมณ์เรื่องของจิตอต่อใช่พออสุพะแล้นเรื่องของร่างกายก็ไม่มีปัญหาต่อไปค่ะแต่เหนือแต่อารมณ์ที่ยัง ที่ยังไปทุกข์กับมันอยู่แล้วก็มีอัตตาโซน ต, ตนอยู่ในในจิตด้วยที่เรายังยังถือตัวอยู่ยังมีมานะอยู่เจ้าค่ะนั่นก็คือสุดท้ายก็คือเรื่องของเรื่องของมานะทิฏฐิเจ้าค่ะ <ใน S 2> เรื่องของจิตอารมณ์ตานั่นคือจะข้อสอบแต่ละขั้นแต่ละขั้นจนสุดท้ายเลย <laughs> ตลบเลยเจ้าค่ะ ขอบพรคุณอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าค่ะนั่เป็นขั้นขั้นเหมือนขั้นบันไดขั้นต้นเราเรามีูถสราธารณะส่วนกันอยู่แบบขอทานได้เปล่าอยู่แบบ homeless ได้เปล่าแ่ยังต้องมีเครื่องเพื่ออำนวยความสะดวกความสุขทุกอย่างอยาต้องดู netflix อยู่ netflix ยังดูอยู่แล้วค่ะ ก็ก็เป็นการวัดไปเรื่อยใช่ไหมเจ้าคะจนสุดท้ายก็เป็นขั้นบันไดไปจนสุดท้ายก็เสร็จจากการทํางานที่ต้องทําถึงมันก็ต้องรับของภายนอกก่อนของภายนอกมันง่ายกว่าเจ้าค่ะเงินทังก็เอาแค่พอมีพอกินก็พอได้ไหมไม่ต้องร่ำไม่ต้องอะมีไว้ทำรำเลี้ยงดูร่างกายใช่ไหมเงินทังก็มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเจ้าค่ะเจ้าค่ะ กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะลกน้อมนําปฏิบัติเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพ่ะศึกษาหมอคุณหมอารศาสนากราบนะแม่สักการ์คพระอาจารย์ค่ะก็ยังปฏิบัติสม่ำเสมอนะคะพระอาจารย์แล้วก็ดูรายละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็วันที่พระอาจารย์เทศวันศุที่แล้วค่ะวันพฤหัสคือแบบ รู้สึกว่าเอนเข้าใจไม่คือเข้าใจพึ่งถึงความว่างใช่ไหมการออกจากไปพบที่ต้องสะสมพภะห้าใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องทำไปเรื่อยๆการออกจากไปพบนี่ที่เข้าใจถูกต้องใช่ไหมที่พระอาจารย์ว่าความว่างก็คือให้ว่าจากกิเลสจากการยึดมั่นของตัวตนแล้วก็ยึดมั่นกับจิตใช่ไหมคะอาจารย์ค่อยๆช้าไปตอนแรกไม่เข้าใจคําว่างตอนนี้ฟังอ่านหนังสือของพระของอ่จารมหาบัวไปเอ๊ะทำไมมันดูแบบสว่งสางเลยเอาตอนนี้เข้าใจแล้วคือว่าจากกิเลสใช่ไหยคะ วางจากโลาากลลลกฎหนองปิเลตันหาโมหะวิชาพระอาจารย์ก็ตั้งใจทำพระอาจารย์สะสมกำลังวไปเรื่อยๆพระอาจารย์ทำต่ออยู่ยนะคะพระอะาารย์ขอบคุณค่ะไปที่คุณเอกเชียงลายคุณ เ, เอกร่วมกันวัศการพระอาจารย์ครับผม ไม่มีคําถามครับเข้ามารับฟังครับอาจารย์ปฏิบัติทุกวันครับผมอรย์ยินดียินดีต้อนรับครับผมรบครับผมอาจารย์ท่าผ่านที่ไหนครับผมสาธุรครับไปที่ประเทศสเปนเป็นวัฒนธรรอไรเฮียตอนนี้ลูกชาไปแล้วเหรอไปเรียนหนังสือแล้ยังไม่ได้ปิดไมเลยกับนมัสการชักค้าหลวงพ่ อ, อ ใช่ค่ะกลับไปแล้วแล้วก็ก็กลับมาแล้วใช่ค่ะกลับแล้วเลยค่ะเขาวันนี้เขาเขามีเรียนออนไลน์เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าหลงตามามาเรียกวิ่งเรียกเขาหน่อยนะใช่ค่ะอาจจะลูกวิ่งไปเรียกเขานี่เขาบอกขอข้อความมากราบหลงตาเขาเขามีเรียนออนไลน์เดี๋ยวลูกใช่ค่ะหลงพ่อหลงค่ะใค่ะนะแล้วใช่ค่ะ แต่หนูสักหนึ่งปครับเอออ่ อ, อ, า, อาทิตย์นี้ไม่ต้องกลับไปเลยะเรียนนะเรีย น, นที่บ้านได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็กลับลําดับมาอทิตย์ละครับอืมพอดีต้องมาสเปนมาสถานทูต ด, ด้วยมามาเอาพาสปอร์ตก็เลยตอนนี้เรียนยี่ปีที่เทไร่นะปีสองครับปีสองเรียนเกือบเก้เรียนสามปีจบใช่ไหมมาอะไรปีหน้าก็จบละครับจบแล้วต้องเรียนต่อ โลด้วยบางแล้ไม่เรียนง่ไม่เรียนง่ายยังไม่ราบครับยังอาจอาจะดูอีกทีจะไม่บังคับเนี่ยเรียนสามปีเลย ว, ว่าจบเป็นญาตีลใช่ไหมว่าจบว่าเชลดีกรีครับอ๋อแ่ทำไมเขาจบแบบวเาเรียนมากกว่สี่ปีเลยไม่น่ากัน <Okay. S 1> ไม่น่ากันเพราะเพราะอาจจะแล้วแต่ดีกรีเลยครับถ้าเป็นบ<ม>ิสเนสดีกรีที่ที่ที่อังกฤษ จ, จะเป็นสามปีหมดเลย เรอาจจะตัดวิชาที่ไม่สำคัญออกไปก็ได้นงวิชาที่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเบเจอร์แล้วแต่คนบางบางทีมหาลัยก็มีให้ placement year คือให้ไปทำงานก่นแต่ว่าหทางเราไม่ไม่ต้องแสี่ปีนี้บางทีก็ให้เรียนพวกประวัติศาสตร์พวกอะไรต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับวิชาหลักของเราตัตัเพราะว่าก็เลยที่ general education ครับเหมือนเป็นฟอนเดชั่นเยียร์แต่ถ้าเป็นนักเรียนที่มาจากต่างประเทศครับต้องเรียนสี่ต้องเรียนส <20. S 2> ี่ปีแต่ น, นักเรียนที่จบมาจากระบบการศึกษาังคิดเรียนแค่สามปี 13, ใช่ไหถ้ามีถ้ามีเยียร์สิบสามใช่ไหยครับอ่าเียร์สิบสามก็เป็นเยียปีหนึ่งของของมหาลัยครับก็เรียนมาแล้วมันก็เหมือนกั น, นก็สี่ปีเหมือนกันครับครับแต่อาจจะสี่อาจจะไม่ได้เรียน ที่มาลัยสีปีก็แค่นี้มาลัยสักสิ่งโอเคมีอะไรจะถามไหมอันนี้ไม่มีครับก็ตอนนี้ก็พยายามนั่งสมาธิก็ก็ดีขึ้นครับพยายามบังคับตัวเองก่อนนอนควบคุมสติไว้บ่อยๆพุทโธพุทโธเน้งใจไว้นี่นะครับอันนี้ยังทำเรื่องฟุตบอลอยู่หรือป่ก็ยังทำอยู่ครับ แต่ก็ตอนนี้ก็พยายามโฟกัสทีละเรื่องพอืมรู้สึกเหมือนพอเวลามีหลายหลายอย่างทํามากกันไปรู้สึกเราโฟกัสได้ไม่ไม่ค่อยเต็มที่อ่าโอเคเราเนี่อย่าโล่งมากครับั mm hmm. นจิตมันเหมือนไปมันไปตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเหมือนเอเราไม่รู้ว่าต้องทําอะไรอย่างไรก่อนมันเลี่ยงมันส um ับสน confused ครับ ดีครับทีระเรื่องนะครถ้ามาที่ม<อ>ทไม่ใช่ถ้าถ้าถ้าสมมติเรามีสิ่งที่ต้องทําหลายอย่างแล้วเ ร, เราพยายามจัดระเบียบสมองของเราหรือว่าก็าต้องก็ต้องจัดเป็นเป็นเรื่องๆเหมือนเหมือนเรียนหนังสือเรียนทีระวิชาใช่ไหมเราไม่ได้เรียนทีละสองสามวิชาพร้อมกั น, นทําอะไรก็ทําทีละ เ, เรื่องดใช่ปะ ครับโอเคครับสมัย <c> น <oughs> ี <reco Christ> ้เขามากจะถือว่าถ้าเก่งต้องทำที่ multitasking ได้ใช่ไหม multitasking ยากมากเลยครับสำหรับเพราะบางทีเราพยายามมันก็เหมือนเราทำหนึ่นอย่างได้ไม่มันก็ไม่เต็มร้อยมันเป็นเร่องของกิเลสมัลติทัสกิ้งเป็นเรี่องกิเลนรุนรน่น เิเลสมันหลอกให้เราทําเยอะๆถ้าเราก็เครียดกับการทํางานเลยเราต้องเอาธรรมะมาใช้ดีกว่าทําดีเราเล้ยงคุจะสอนให้ทําดีเราเลี้ยงตายไปก็เราไปไม่ได้จะเป็นโรคบากเลยคิดอย่างนี้ครับทําพอเลี้ยงชีพได้พอทําพอเลี้ยงอะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอก็โอเคเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณหลวงตามม่ครับโอเคสละเถอค่ะอาจารย์หลวงพ่อกบขอบคุณเจ้าค่ะเดี๋ยไม่มีอะไรใช่ไหมมีน็แบบมีนิดหน่อยสิคะหลวงพ่อ อ, อาทิตย์ที่แล้วเจ้าค่ะหลวงพอมีมีความอยากแต่เป็นความอยากที่อยากจะเข้าซูมแบบแบบมันเห็นความอยากมันขึ้นมาเพราะว่าที่บ้านเขามีประชุมใช่ไหมเจ้าค่ะ มีประชุมมีคนงานมีอะไรมาแล้วเรารู้สึกฉันอยากจะเข้าซูมอะแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าบอกคนงานทุกคนว่าให้หยุดงานวันวันพุธนี่นะค้ับหลวงพ่อมันแบบแล้วมันเห็นความอยากมันขึ้นมาแบบมันเห็นน่ะเราแบบเห็นเห็นนะเจ้าค่ะแล้วแบบฟังหลวงพ่ออยู่ด้านนอกแล้วใจมันแบบว่าอยากจะบอกสามีบอกคนงานว่าทุกคนให้หยุดงานวันนี้นะ เจ้าข้าหลวงพอ่อเจ้าขาจะเป็นดีเทเตอร์จะเป็นผะเด็จการ้วยแล้วแบบมันเห็นมันขึ้นมาเลยเจ้าขาหลวงข้อว่าโอโห้หนี่ล้วก็มันเป็นความอยากเ้าก็แล้วมันก็คือแล้วมันมันแล้วมันจะคือมันจะดีหรือไม่ดีพอเราพูดไปแล้วเขาก็มองเราแบบว่าอยู่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าข้าหลงวงข้อเจ้าขา ถ้าไป<ว>รบกวนเขาก็พูดแต่กติแน่ๆเราทํำเราอย<จ>่าไปกระตุกกระเทยคนอื่น จ, จังค่ะหลวงพ่อชังค่ะลูกก็เห็นนะคะเห็นว่าความอยากมันผุดมันพึบ ม, มันผุดขึ้นมาว่าว่าว่าเร า, าก็คอ้อนสามีในใจอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็สั่งเขาครัแต่วันนี้เขาสั่งเขาว่าห้ามเอเยนห้ามทุกคนมามาสนผุด ให้มาวันศุกร์ก็ยิ่งดีวันนี้เขาก็เลยบอกโอเคค่ะก็ก็น่าจะดีขึ้นจ้ะค่ะหลวงพ่อมีแค่นี้เจค่ะกราบขอพร ะ, ระนหลวงพ่อเจ้าค่ ะ, ะ, คะ <ยา S 2> ขอ<า>ให้หลวงพ่อพระคันแข็งแรงเจ้าค่ะญสาวเทิงจ๋าวันนี้คนลูกตาลเชิญชมบุรียังไงมีอะไรเมื่อวันนี้นมาส ก, การค่ะพระอาจารย์อืม อาจารย์ได้ยินชัดไหมคะชัดเจนเลยอ๋อมีถามหนึ่งเรื่องค่ะอาจารย์สงสัยว่าเรื่องการเจริญสติที่เราฝึกสมาธิเนี่ยค่ะกับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ค่ะมันจะมันจำแบบถ้าเราฝึกสติอย่างนีน้เรามีโอกาสที่จะไม่เป็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับทางร่างกายค อ, อความจริงเราทางแพทย์อาจจะว เ, เกี่ยวกับทางร่างกาย แต่ทางธรรมนี้เราที่ว่ามันเกี่ยวกับทางสติมากกว่ า, เ, าเวลาแก่ลงแก่ลงสติมัน ย, ยิ่งยิ่งยิ่งน้อยลงไปมพนั้นก็เลยทําให้ความจํานี้เสื่อมไปตามไปด้วยแต่ถ้ามีสติดีนี้ความจํามันจะไม่ค่อยเสื่อมตามครูบาอาจารย์ที่เป็นภาพปฏิบัตินี้ท่านอายุเก้าสิบกว่าท่านก็ยังไม่มีอาลไเมอร์ไม่มีความหลง ท่านจะลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องชื่อคนอะไรอย่างนี้บ้างแต่เรื่องที่สำคัญสำคัญนี้ท่านจะไม่ลืมนั่นหมายู่ที่สติมากกว่าถ้ามีสติแล้วมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอัลไซเมเรื่องดมนเชียพวกนี้ก็คือถ้าฝึกสติโอกาสที่จะเป็นก็จะน้อยลงหรือไม่มีใช่ไหมค่บใช่น้อยลงเพราะทาที่เห็นมาครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นพระปฏิบัตินี้ อายุมากเท่าไหร่ก็ไม่มีเขาออกไหนเป็นเป็นดัลไซเมอร์สักองค์เอ้ยไหมฝึกสติให้ดีเพราะเวลาเราทำํำเรามีสติเราจะเราจะรู้ว่าเรากําลังทําอะไระพเรารู้แล้วมันก็จะไม่ลืมไอ้ที่มันลืมก็เพราะว่าเราทําไปแล้วเราไม่รู้ว่าเรากำลังทําอะไรเราไปกินเรื่องอื่นพอทำเสร็จแล้วก็ลืมไปแล้วไอ้เมื่อกี้ทำหรือเปล่าค่ะขนาดอายุเท่านี้ก็เริ่ม เป็นแล้วค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไมแบบยังสติยังไม่ค่อยดีค่ะได้สติไม่ค่อยดียดใจไปที่อื่นมันสิ่งที่เราทําอยู่นาทำแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอพ อ, พอทําเสร็จแล้วผ่านไปแป๊บหนึ่งเราหนึแล้วเอ้ยเมื่อกี้เราทําทําหรือเปล่าเปล่าตายตงั้นฝึก ส, สติไว้เถอะรับประกันได้าจะไม่ไม่หลงไม่ลืมค่ะเข้าใจแล้วค่ะเราก็มี เรื่องหนึ่งกลับเรียนพระอาจารย์ก็คืออาการที่ที่หนูเป็นแพนิกยู่วค่ะมีอยู่วันหนึ่งหนูแบบไม่สบายแล้วก็ไอเยอะแล้วก็เริ่มมีอาการหอบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พ่นยาตามปกติแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาการก็คือถ้าเริ่มมีอาการหอบอะไรเงี้ยหนูก็จะตกใจแล้วก็กลัวมาก mm hmm. แต่ว่าครั้งเนี้ยหนูสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไม่เคยมีมานานแล้วก็คือก็หนูไม่กลัวเลยแล้วก็ mm hmm. แล้วก็แบบปล่อยให้มัน ปล่อยดูมันไปเฉยๆเลยค่ะใช่แต่ว่ารู้ไปให้มีสติอย่าไปเรียกอย่าไปมีปฏิกิริยากัออาการที่เกิดขึ้นนะเราดูมันไปทำอะไรได้ก็ทำไปจริงแ <คน S 1> ล้คือนหนู้ก็ไม่ต้องตกใจกลัวอะไรมันอ็หยุดสติมั<ใ>นก็ยุดใจใจเย็นใจใจเฉยได้อยายาฝึกสติฝึกสมาธิบ่อย แต่ถึงเป็นแค่ชั่วขนาหนึ่งแต่หนูก็รู้สึกดีมากเพราะว่าหนูไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาแบบหลายปีแล้วก็ถือว่าแบบเหมือนอาการก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะจากคำสอน่อปอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะหมดคมถามค่ะไปหายเลยนะต่อไปค่ะจ่าทูกค่ะกลับขอบคุณค่ะแม่อาจารย์ด้วยอายไปได้คุณยินดีคนซ ตอนนี้หายนาวเลยอากาศดีขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าอาจารย์ช่วงนี้เป็นสปริงค่ะอืก็ก็หน้าหนาวก็คงยังไม่หมดมังคาก็อาจจะกลับมาหรืออาจจะอยู่ก็หนูก็ไม่ค่อยได้สนใจค่ะท่านอาจารย์ไม่เป็นไรก็อยู่กับมันไปค่ะค่ะท่านอาจารย์ก็อย่างท่าอาจารย์เคยสอนนะคะก็ให้อยู่กับมันไปก็เป็นอนัตตาค่ะท่านอาจารย์ผู้หงก็เป็นผู้ย่างมันก็เป็นเินบ้าค่ะเนี่ย ค่ะ mm hmm. อ, าาอาจารย์ค่ะอาจารย์คะมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะออ่ด้วยความที่ว่าเอคนข้างบ้านอะคะ่ะคนที่อยู่พันธุ์ม้นต์ใกล้ๆอะคะ่ะเขาเป็นคนแก่สองคนอายุแปดสิบลูกก็เลยแบบเข้าไปแบบคือก็คือคือถ้าทําอะไรได้หนูก็ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ด้วยความที่ว่าพอกลับไปที่ฝรั่งเศสพอกลับมาคราวนี้หนูก็ไปหาเขาพอไป เขาเออเขาสั่งให้ไปหาเออเขาให้สามีเขาอะมาเคาะประตูบอยให้หนูอะเขาไปหาเอาภรรยาเขาพอเข้าไปอ่ะค่ะหนูก็ไปพอไปเด็กเขาให้เขาให้ใหไอเนี้ยค่ะเขาให้คัมภีร์ไบเบิลอะค่ะให้กับหนูมาหนึ่เล่มแล้วหนูก็บอกว่าหนูก็หนูก็ทำหน้าแล้วหนูก็บอกอุ้ยเออ กำลังจะบอกเลยค่ะว่าไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาแล้วตอนนี้เขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเนี่ย I love you นะเนี่ยไอเลยแบบไอ้เลยสั่งเป็นพิเศษให้ you, ยูเลยนะเป็นภาษาไทยแล้วลูกก็เลยคิดถึงคำท่านอาจารย์นะคะที่บอกว่าผู้ใหญ่ให้อะไรก็ให้รับไปก่อนไม่ให้เขาเสียน้ำใจหนูก็เลยรับมา อันนี้พอเสร็จแล้วเรารับมาแล้วจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดหนูจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าที่เนี่ยค่ะมันจะมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งเขาเรียกเอ่อฮุตวิวค่ะ mm hmm. ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเอรับบริจาคแบบพวกเสื้อผ้าพวกอะไรทุกอย่างหนูก็เลยมาคิดไอเดียตรงจุดนี้ว่าเอ๊ะเราจะเอาไปไว้ที่ในโบสถ์หรือเราเอาจจะไปไว้ที่ good ต i ิวตรงนี้ก็มันไม่เป็นไรใช่ไหมคะถ้านอาจารย์ มันก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะถาน้ําใจเขาวก็เก็บไว้เฉยๆไปทักพักก่อนก็ได้เดี๋ยวเกิดก็ถามถึงว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะเพราะเขาถามค่ะแต่ถ้านก็ถามมาอ่านหรือเปล่าวะยังไม่ได้อ่านเลยเราอ่านไปถ้าอ่านก็ได้ก็เปิดดูซั่งหน้าสองหน้าแลเราอ่านแล้วกําลังอ่านอยู่รักษาถนอมน้ําใจกันไป ก็ค่ะแต่เวลาเราไปบ้านเขาเนี่ยค่ะเขาดีอย่างค่ะตรงที่ว่าเขาเขาไม่ได้มาพูดถึงเขาไม่ได้มาเล่าหรือว่าเออเจซูเป็นใครหรืออะไรเงี้ยแต่คือเขาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งตอนเริ่มต้นที่ไปบ้านเขาอะค่ะเขาบอกว่ายู่รู้ไหมว่าเนี่ยเออยู่รู้ไหมว่าเนี่ยเจสูคิดว่าเป็นเอเป็นผู้ที่ไถ่บาให้กับพวกเรานะเอจู้เจซูคิดไหมท่าน หนูก็ได้แต่พยักหน้าว่ารู้ว่าคือเจซุคริสเป็นเออ่ของทางป่าคริสเตียนแต่แต่ทางหนูอ่ะคือหนูเป็นทางด้านบูติสแล้วเอของหนูคือคือคือพระพุทธเจ้าแล้วเอคือบุฎาบางทีก็พูดแค่เนี้ค่ะแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรเขาแล้วเวลาแต่ละครั้งที่เจอกันเขาก็ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคริส แต่เนี้ยค่ะอยู่เนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะเขาให้ไบเบิลเนี้ยมานั้นให้ผมเขียไปก่อนแล้วก็ก็แก้ไว้ก่อน น, นแล้วก็คือมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟนิดหน่อยใช่ไหมถ้า<ช>อยากรักษาน้ําใจก็เขียนมาไว้ก่อนอ<ช>ืค่ะแล้วก็ถามว่าอ่านหรือยังถ้ายังไม่ได้อ่านก็บอกยังไม่ได้อ่านก็ได้ก็พูดตา่งางความเป็นจริงไปค่ะถ้าจังค่ะ แล้วเขาบอกให้ให้หนูแกะแกะแบบแกะพลาสติกออกหนูก็ไม่ได้แกะเพราะว่าหนูก็ไม่แกะคืออันนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าเราถนอมน้ำใจเขาโดยการที่เรารับมาแล้วแต่แต่จะให้หนูแกะหนูก็ไม่กล้าแกะเพราะว่าหนูเพ่อหนูคิดว่าหนูไม่ได้อ่านและอย่างหนึ่งหนูก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาไปทําอะไรถ้าเกิดเราแกะพลาสติกไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ใช่ของใหม่หนูก็เลยไม่ได้กล้าแกะหนูก็เลยแบบในรักษณะนั้นหนูก็ยิ้มแล้วหนูก็หนูก็ พอหนูยิ้มเสร็จแล้วนูก็เลยชวนแกพูดเรื่องอื่นไปอืมค่ะท่านอาจารย์ก็ค่ ะ, คะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์ทางีดีเรื่องศาสนาของเราก็ไม่ต้องไปพูดกับเขหรอกเพะเขาคงยังไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าหนูไม่ไดพูดหนูไม่ไพูดก็คื อ, อ, อคือคือถ้าก็ถ้าก็ถามถึงก็พูดได้นะก็ไม่ถามมันก็ไม่ต้องไปเสนอค่ะหนูก็พูดค่ะหนูหนูยังว่าเอ๊ะหนูเคยบอกเขาแล้วนะว่าหนูเป็นบุติสเพราะหนูยังเคยพูดเลยว่าถ้าเกิดอยู่ไม่สบายใจอะไรอ่ะ เพราะเขาเคยพูดเรื่องเรื่องที่ว่าลูกสาวเขาอค่ะแบบคือกำลังอยู่ในขั้นอย่าล้างนะคะหนู mm hmm. ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ไม่สบายใจอะไรอะยูก็ลองนะลองลองลองลองเมดิทชนมีดิเทชันดูแต่ถ้าเกิดยูไม่รู้ว่ามดิเทชันคืออะไรยูก็อยู่กับลมหายใจไปดูเข้าดูออกไปแค่นั้นแหละยูไม่ต้องทาอะไรมากมายเพื่อที่ว่ายูจะได้มีความสงบให้กับจิตใจของอยูแค่นี้ค่ะ นูพูดแค่นี้เราตั้งแต่นั้นมาเวลาเราเจอกันหนูก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเรื่องทางด้านเขาแต่เนี่ยคะ่ะก็ยังว่าอยู่เอ๊ะเราเคยพูดไปแล้วแต่ด้วยความทิดว่าเขาเป็นคนแก่ก็ยังว่าสงสัยเขาคงจะลืมมั้งก็เลยก็โอเคคะ่ะแต่ก็ค่ะ<ม>ท่านอาจารย์ก็มีเท่าเนี้ยคะ่ะท่าอาจารย์<ม>แล้วส่วนเดวิดก็เหมือนเดิมคะ่ะลูกกับเดวิดก็ให้เดี๋ยวอาจารยบอลซ้องเทค่ค่ะเหมือนกัะคะ ขอเป็นท่านอาจารย์สูงค่ะท่านอาจารย์อเรื่องศา ส, สนานถ้าเขาไม่ถทำก็ไม่ตอาไปบอกเขานะไ ม, ไ, ไม่ค่ะรู้ทราบดีค่ะท่านอาจารย์เพราะว่พูดแล้วว่าวอาจจะคิดว่าเราพยายามที่จะไปสอนเขานอะไม่ค่ะแต่แต่แม่เออคือหนูคุยกับแม่เดวิดะค่ะเมื่อเมื่อวานที่คุยกันแล้วหนูก็บอกเขาว่าเนี่ยแม่เขาให้เไบเบิลหนูมา ทำความดีจนได้ไบเบอร์เลยแล้วแม่เขาถามแล้วแม่เขแล้วแม่บอกว่าแม่เดบิชบอกว่าอยูกรู้ไหมบางครั้งบางคราวเนี่ยคนคิดเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าต้องการหาคนแบบเหมือนหนูห น, หนูก็ไม่ถ้าถ้าตามความหมายเข้าใจก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดหาสามารถหาคนตกทอดได้นั่นก็คือเขาก็ได้ไปได้ไปสวรรค์เรื่องไงในรัศมีหรือเปล่าคะหนูหนูก็ไม่แน่ใจ เยซูสอนให้เอาคำสอนของพระเยซูไปบอกกับคนทั่วโลกให้เขาดูได้เรียนรู้ค่ะและและหนูก็เลยบอกว่าแม่แล้วแม่บอกระวังนะหนูบอกอ่ยแม่แม่แม่ไม่ต้องหว่วงหนูไม่สนใจตรงด้านนี้อยู่แล้วค่ะห น, หนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้มายตรงจุดนี้ก็ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขาเอเล่าหรือกับหนู แล้วก็คุยทางด้านนี้หนูก็คงต้องห่างแต่แต่หนูก็สงสารเขาเหมือนกันเพราะเขาความแก่ของเขาแล้วเขาแปลกติดแล้วแทนเนี้ยก็ไม่มีอะไรอาจารย์ก็แต่นึกถึงคําท่านอาจารย์ค่ะเวลาเกิดอะไรเนี้ยเอคําสอนของท่านอาจารย์นะคะจะแบบมันผุดขึ้นมาเองอ่ะค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะท่าอาจารย์อ่าจุนจ่าไปดีกว่าไปกุญชุนไป น้มาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะสบายดีนะสบายดีค่ะเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะจิตใจมีสติดีอยู่นะมีสติดีค่ะอ๋ะพอพระอาจารย์คะหนูหนู ห, น ห, นหนถามคําถามหนึ่งได้ไหมเจ้าค่ะไดะ้สมาธิที่ ท, ที่ที่เป็นสัมมาสมาธิมันเป็นแบบไหนล่ะคะ ก็เป็นพวกฌานหนึ่งฌานสี่และรูปฌานเป็นสมาธิที่จะให้กาสงบนิ่งเยน็นสบายมีความสุขมีอุเบขาสมาธิที่ไม่ไม่เป็นสมาสมาธิก็คืออุปจารสมาธิสมาธิที่ทําให้เรามีอิทธิอิทธิฤทธิเมียพิญญาให้เราสามารถไปเที่ยวดูโนรกดูสวรรค์ไปคุยกับเทวดาคุยกับผีได้ ที่เป็นสมาธิที่ไม่ไม่สนับสนุนปัญญ า, าถือว่าเป็นลิ้ชฌาสมาธิต้องเป็นสมาธิที่นิ่งสงบใจเย็นว่างเย็นสบายสักแต่ว่ารไม่รักชังกลัวหลงอันนี้ถือว่าอัปปนาสมาธิคือพวกฌานรูปรูปฌานขั้นที่สี่เจ้าค่ะไม่รักชังกลัวหลง เฉยๆใจเย็นใจสบายค่อยด่าก็เฉยค่อยชง่็เฉยเจ้าค่ะแต่ถ้าใจแล้ว้วเจาค่ะแต่ถ้ า, า, ถ, าถ้าเป็นสมาธิแบบไปท่องเที่ยวจะไม่มีอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาพอใครพูดอะไรทำอะไรก็จะเกิดความนักชังโกหลงขึ้นมาทันทีเจค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อขอขอะคุณพระอาจารย์ มากมากนะเจ mm ้าค่ะขอให้พระอาจาร์ทัดขันแข็งแรงเจ้ค่ะอ่าขุจ่ากตอไปอ่าคุณแนนจากบุญนนท์ทางนี้คุณแนนอยานมสะกาคพระอาจารย์มมีคาถามค่ะดีหาทุกท่านถอค่ะไปที LLC, with, wie, uh, spirits, ่จิบจิบมาลีแลนทางานอยู่เลยอยากนมัสการครับพระอาจารย์ทางานอยู่เจ้าค่ะ พอดียงก็ลุ้นอยู่ค่ะว่าจะได้คุยกับพอาจารย์ก่อนสี่ทุ่มหรือเปล่าเพราะว่าวันวันนี้มีประชุมตอนสี่ทุ่มของเวลาไทายอาา่ะค่ะก็เลยแ่บตอนนี้ก็สวันนี้เก้ามงเช้าย<ม>ี<ม>่สิบสองนาที่ะ ค่ะปีปจาก้าโมงครึ่งก็ห่างกันสิบสองชั่วโมงอะค่ะอาจารย์แต่เดี๋ยวเดือนเดือนหน้าเราจะมีการเดือนอ่ไม่แน่ใจว่ามาชื่อเอพเพนะคะที่เขาต้องเปลี่ยนนะคะไม่แน่ใจโยมไม่แน่ใจใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนมันัติห้าโมงเย็นมันก็มืดแล้วแต่ตอนนี้หกโมงหกโมงก็เริ่มจะก็เริ่มจะพระอาทิตย์ก็จเริ่มตกอะค่ะ มันก็เริ่มยืดยืดเวลาขึ้นมาหน่อยก็ดีค่ะยอมยอ ม, มยมรุ่งที่มันอุ่นอยู่ตอนนี้เย็ยนเย็นเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็อุ่นอะไรไม่รู้อากาศมันเปลี่ยนไปมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ลูกยมก็ไม่ค่อยสบายคนหนึ่งแหละมันเหมือนจะเป็นไซเคิลเหมือนตอนเริ่มเป็นโควิดนะคะอาจารย์อืก็เลยแบบหลุนอยู่ว่าลูกชายจะมันยมไม่แน่ใจว่าสมมติถ้าเรายังเป็นไม่ถึงเดือนนี่มันจะติดได้อีกไหมค่ะอาจารย์ เราไปถามหมอแลวมันถามเราเลยน่านเาสียใจไม่เลยยงก็ไม่แน่ใจก็เลยแบบเออเวชันมัติดก็ติดเออแล้วเรารอดมาแล้วครั้งหนึ่งก็ครั้งต่อไปก็คงไม่จะไหลหรอกอะไรเงี้ยนคะคะก็พระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้าพร ะ, ะอาจารย์ครับเม่กีน้องเขาถามถึงเรื่องสัมมาสมาธิเราจะนั่งเราเวลาเรานั่งสมาธิมันควรจะไปถึงย่านชานสี่หรอคะหรือว่า เราไม่ต้องไปสนใจตรั้ถ้าสติถ้าสตินี่ดีมันก็ต้องไปถึงที่ฌานสี่เองนะอันนั้นฌานสี่นี่มันเป็นลักษณะแบบไหนจะจะทราบได้ยังไง ค, ะคะ่ะอาจารย์ว่าเราถึงขั้นนั้นแล้วอ๋อจิตรวมสงบแนงสัตรวร์แต่ว่ารู้ความคิดหายไปเหลือแต่ความรู้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวความคิดหายไปเหมือนกับ<ม>ว่าถ้ามันแวบอะไรขึ้นมามเราก็ไม่ได้เอาจิตไปจดจ่อตรงนั้นเหมือนกันเหรอคะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม มันจะไม่มีอะไรแว บ, บเลยถ้ามันสงบมันไม่มีนะคิดเลยใช่ไหมคะมันจะนิ่งแบบมันอยู่ในอวกาศอ๋ออ๋อโอเคงั้นยมยงก็เคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้บ่อยนะคะก็สะแสดงว่าอย่างนั้นเราถึงขั้นที่แบบโอเคถ้าถ้าถึงจุดนั้นบ่อยๆมันจะทําให้เราเกิดปัญญาแล้วมันคือการฝึกมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์มันไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาหรอกมันทําให้เรามีกําลังที่สู้กับกิเลส เวลาใช้ปัญญาว่านี่คือกิเลสเราจะได้หยุดมันได้ปัญญาทำไก็ทำให้เรานิ่งอืทําให้เรานิ่งเฉยได้อ่าก็ไม่กระเพื่อมเวลามีอะไรมากระทบบ่อยๆเราก็ไม่กระเพื่อมแล้วมันก็จะถึงจุดที่ทุกวันของเรามันจะเหมือนกับมีสมาธิตลอดเวลาแบบนี้ใช่ไยอ่าใช่มันจะนิ่งเฉยตลอดเวลาค่ะแต่ไม่ได้กลายเป็นคนไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่ก็คือแบบรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่าง เป็นแบบไม่ไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรแบบเป็นแบบใจใจเบาเหมือนกับนูน่นนี้แต่เป็นใจที่หนาแนค่ะค่ะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็คงจะถึงจุดหนึ่งที่เราจะขึ้นทางด่วนไปปุ๊ไปนิพพานได้สักวันนะค ะ, ะค่ะค่ะ ค, ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ยมจะพยายามปฏิบัติให้มันนิ่ง แล้วเดี๋ยวจะมารายงานนะคะถ้าว่ันไหนมันนิ่งถึงขั้นได้เป็นแบบอยู่ในอวกาศเนี่ยมันจะมีผลออกาใช่ไหมะอือจ้าการสาธุครับอาจารย์ทัดกันแข็งแรงนะเจ้าค่ะค่ะคุณโอพีเคภูเก็ตกลับมาภูเก็ตได้ยังได้ยังอยู่หน้าเดี๋ยวอ่มาพูดได้เลยได้มากลับมาวัฒนธรอาจารย์เจ้าค่ะ กับจากหน้าเนะจ้ขาข่าอาจารย์ <Yeah. S 2> อา จ, จารย์สวัสดีนะจ๊ะ <Yeah. S 2> แต่ว่าตอนนี้ลูมอยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะวอาจารย์ยังไปไม่เต็มภูเก็ตนะยังเจ้าค่ะแวะอยู่ที่กรุงเทพประมาณสิบวันเจ้าค่ะพอดีมาดูของอะไรเจ้ขาข่าอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่าจะไ ป, ไปยอนเจ้าค่ะจะแวะไปกลับการําจากท่านาอาจารย์เมื่อาทิตย์หน้า <Okay. S 2> ถ้าไม่ผิดอะไรเจ้าค่ะ มีอะไรพะอาจารย์เจ้าะมีนิดหน่อยจ้าค่ะแต่ว่านี้ก็ไม่ได้เจออาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ไปอยู่น่านมาก็คือการปฏิบัติค่อนข้างจะน้อยลงจ้าค่ะแล้วก็เหมือนรถเบรกแตกเจ้าค่ะอาจารย์ชนไปทั่วเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วกินเวทีก็ดนนกอกอะไรองเจ้าค่ะอาจารย์ก็พระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเกิจว่าที่บ้านอนุญาตให้ไปขึ้นทางหลวได้จ้าค่ะ แต่ว่าลูกเนี่ยยังกําลังสติเนี่ยยังมีน้อยลูกไปขึ้นทางหลวนได้ไหมเจ้าคาา่ะพระอาจารย์ไม่ลองดูใช่ไม่ลองจะไปดูได้ยังไงก็ขออนุญาตอนุญาตพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะคุณยาไม่ต้องขออนุญาตอันนี้เป็นเรื่อ ง, เ ป, เ, องเป็นเรื่องของความสมัครใจของแต่ละคนที่จะต้องทำกันเองตัดสินใจกันเองไม่เกี่ย ว, วอะไรเราพระอาจารย์แล้วก็ ก่อนที่จะผ่านเวชนาได้เจ้าค่ะก็คือต้องได้สมาธิก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็ต้องมีสติดีปอดสงวนจะได้สมาธิหรือไม่ก็ต้องมีสติทําให้ใจอยู่กับพุทโธที่อยู่กับคํามเลยกรรมได้มันก็จะผ่านได้เจ้าค่ะเข พ, พยายามสอบซ่อมอยู่เจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าก็ยังตกหยู่เจ้าค่ะ เป็นเวลาเกิดความเจ็บแล้วก็พูดโทพทดโทรศพโทโธไปอยู่พูดโธรศัไม่สนใจความเจ็บสามารถกอดติดของพูดโทรแล้วลืมความเจ็บได้แนวความเจ็บมันก็จะมันก็จะถอยออกไปใจจะนิ่งแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันคจะให้ยามใหม่จช่ค่ะอาจารย์อยู่ที่สติ <S <S โอเคนะจัดกลับไปให้มากฝึสติให้มากสตินี่สำคัญมากขอคุณถ้าค่ะอาจารย์มีธาขันแข็งไดเจ้าค่ะคุณมารีมุตากาวันนี้ทำงานอยู่ไงกลับมาจากทำงานแล้วมั้งกลบลวงพ่อค่ะกลับมาแล้วค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ วันค่ะหล้วก็แล้วก็วันสุกร์ต่อที่หนูไปไปวัดมาไปอยู่วัดมาะคะ่ะวัดที่น่ากลัว่ะคะ<น> αι, ทางบ้านก็ไม่ห้ามเนี่ยน่าจะเลิกห้ามแล้ว <laughs> ห, หนูหนูรันไปแล้วก็แต่วันศุกร์นี้ถ้าไม่ขัดหองไปก็ว่าจะไปอีกค่ะหลวงพ่อก็อไปปฏิบัติแล้วก็วันวันศุกร์ลองปฏิบัติจนถึง ตื่ห้าเหมือนต้องคืนแทบไม่ไน้นอนนะฮะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อก็มีมีตวจมลนั่งสมาธิฝึกสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็วันวันอาทิตย์ก็กลับค่ะหลงเพราะว่าต้อกลับมาเป็นเพศแล้วออกกลับมาในที่สึดว่าเหมือนกําลังสติมันดีขึ้นค่ะหลวงพ่อมันเยอะเยอะขึ้นจะเดิมค่ะหลวงพ่อมันมันดีขึ้นคือถ้าเอาจริงออาจังหนูว่ามัน มันมีแต่ผลเดียค่ะหลวงอเวลาเราไปปฏิบัติอย่างนี้นค่ะมันมันเห็นเลยอะค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเราห่างๆอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ไปขึ้นเวทีได้ขึ้นทางด่วนเนี้ยมันก็จะไปไปได้เรื่อยๆอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าให้รักษาประดับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ไปออกสนามเลยมันมันจะไม่เห็นว่าเรามีอะไรที่ขยับไปเรื่อยๆค่ะใช่ไหมใช่มันไม่เคลื่อนหน้านมันไม่ได้ทำข้อสอบ น่าไม่ทำก็สอบก็เวลาช่วงอยู่ดึกอะไรเงี้ยค่าหลวงพ่อหนูก็ออกมาก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวอะไรนะคะหลวงพ่อก็คือปกติอะค่ะหลวงพ่อเหมือนมันไปอยู่ที่หน้าครัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้ฝุดด้วยค่ะแล้วก็หนูก็คุยกับพี่บ้านก็คือช่วงพุธที่รายงานหลวงพ่อไปหนูก็ไม่ค่อยสบายใจคือจะอยากไปแต่ว่ามันค้านจังจากที่ท่านเพราเป็นห่วงแต่พอ ตนหนุบอกหนูไปบอกว่าข อ, อเป็นยังไงก็ช่างมันอะไรเนี้ยแล้วพอดีที่ด้านเขาก็เขาก็คิดคือแม่ค่ะเขาเป็นห่วงก็บอกเขาก็คิดได้แล้วก็คือพอดีรงตัวว่าเขาเขาบอกเขาจะไม่ห้ามเนาะค่ะหลวงพ่อก็หนูก็จะไปปฏิบัติคือมีโอกาสเนี่ยก็จะเข้าไปปฏิบัติตลอดค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่ี24 25 26หนูก็จะไปขึ้นเขาเชีโอนะค่ะหลวงพ่อพอดีไปที่ไหนได้ก็ไปนะ มันต้องไปที่อยู่ที่มันน่าเปรี่ยวเปลี่ ย, ยหน่อยน่ากลัวหน่อยมันจะได้มีสติเด็กนั่อที่ไปมันมันมันไม่มีรถเข้าไปแล้วก็ถ้ามืดมันก็คือมือดเลยอย่างเงี้ยค่ะหพอมันคนเขาก็กลัวๆกันอะไรเงี้ยค่ะ้วเราก็ต้องระมัดระวังด้วยไม่ใช่ทําตัวให้เหมือนแบบค่ะหลว่อหลือก็คือก็ไม่ไม่ประมาณนะคะหลวงพ่อส่วนใหญยนนี้ก็ปฏิบัติ ปฏิบัติเหมนไม่ได้นอ น, ยนะะพอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อคือเรากเรา ก, เราก็ยังไม่ไม่คุ้นชินกับที่นั่น<ม>ก็คือก็อยู่ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อเ น, <ม>นี่ยการตักเกิดถึงพระพุทธเจ้าพระครูบาจารย์ท่านก็ต้องไปเสียงเป็นเสียงตายกันทนะั้งนั้นถึงได้ธรรมะ<ม>ครูบาจารย์ท้านนอกจะเพื่อว่านิพพานอยู่ฝากตาย ถ้าไม่ยอยาบตายมันก็ไปไม่ถึงไม่ผ่านนะครับแ่ครแต่แต่ก็จะมีเหมือนคนที่เขาอยู่วัดนะคะ่ะผู้หญิงบางครั้งเขาก็มานั่งปฏิบัติ ด, ด้วยคะ่นะหลวงพ่อบางทีก็พานเนเนเณนตัวเล็กๆนะคะหลวงพ่อสามรูปนั่งเจ๋งมากเลยคะ่นะหลวงพ่อออนั่งตีห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเนรค่ะเจ๋ง <ๆ S 1> มากมากเลยค่ะหลวงพ่ออก็มามานั่งปฏิบัติ ด, ด้วย Up, down, อาจจะมีบารมีเก่าเด็ดตัวมาก็ได้ค่ะหลวงพ่อก็หนูก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะหลวงพ่อเราลึกถึงคําสอนของหลวงพ่อตลอดนะคะหลวงพ่ออืมเวลาติดขัดหนูก็จะนึกถึงหลวงพ่ออืเราฝึกสติเราฝึกสติได้ทุกแห่งทุกคนนะจำไหมไม่ใช่ต้องรอไปขึ้นทางด่วนแล้วก็ไปฝึกอยู่ตรงไหนก็ฝึกได้ ค่ะว่แล้วมันก็จะมีบททดสอบมาเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อมีหลายๆอย่างที่มันมันหนักหนักแต่แต่ถ้าไม่มีสติหนุนหนุนรอามันก็คงไม่รอดค่ะมีสติแล้วมันก็จะปลอดภัยใจก็จะปลอดภัยใจก็สงบค่ะหลวงพ่อโอเคนะทำตามหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมากๆเลยค่ะที่ที่ใจอนกันนะทกจ อะไรที่เป็นหมอหน้าทวีตจ้ขง้นหมอกับแต่ราการระจัดครับอ่าว่าอย่างไรครับวันนี้เขามาฟังธรรมครับนะเคยมีคำถามเลยนะไม่ไม่มีครับก็ตอนช่วงช่วงช่วงที่ไปอยู่บนเขาบดีครั้งที่แล้วไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่ว่าก็ ม, มาดูพิจารณาดูใจ <laughs> อยากออกไปปลุงมไม่ยอมดิกเข้าข้างไหนแต่ว่า มาพิจารณาดูแล้วก็เป็นในเหตุที่ระหว่างวันอ่าอาจจะปล่อยตัวไม่ค่อยมีสติตามดูสมัยก่อนจะพอพอไม่ได้ทํางานหรือคุยคนไข้เสร็จหรือบางทีเวลาเดินเราก็จะกลับมาเหม่อนคล้าๆึๆเวลาเดินเหมืนเดินจบกรมพุทโธไปตอลังอาจจะขาดตรงนั้นไปอืก<ม>็เลยก็เลยเห็นว่ามันถอยไปเยอะก็รู้ว่าเออมันมันปัญหามันอยู่ที่ที่เหตุแต่ไม่ได<ม>้สร้างสตินี่สําคัญนะครับนะ แต่มันยิ่งอ่อนมันก็ยิ่งมันก็ยิ่งยิ่งอ่อนไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับเพราะว่าพอครั้งที่แล้วไปพยายามจะไปนั่งไปอะไรแป๊บเดียวกันเจ็บอะไรไม่นั่งไม่ค่อยได้ครับใจมันอยากจะออกไปข้างนอกตลอดมันไม่ยอมมันจะไปออกไปปลุกมันตลอดมันไม่ยอมเข้ามาสงบกันแล้ก็คุมมันไม่ค่อยได้ครับแล้วก็เห็นว่าปัญหามันอยู่ที่ที่ที่ีขาดขาดเหตุมันก็ไม่มีผลใช่ไหม ก็เลยไม่ได้บรณาธิ์ทิศเลยไม่ได้ลงไปช่วยวิาาทีบาศครับก็เลยพยายามสู้สู้อย่างหมดแน่ครับครับมีกลับมาก็เลยช่วงนี้ก็เลยมามันก็ยังมีพวกงานต้องไปทําเยอะอยู่ตอ น, นก็พยายามจะพยายามจะต้องกลับครับกลับไปที่สติถ้ามีเวลาถ้พาพออยู่นอกมันมันก็โดนดึงออกไปแล้วพอมันก็จะเผลอได้เยอะอแต่ก็เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงครับอืม แต่เห็นเห็นความปรุงกับความไม่ปรุงนะครับบางมดีต้องมันก็ไม่อยู่กับคำวิธิกรรมไปครับอมอพุโทโธพุโทโธไปไปแล้วเสียงวันจะเลื่อ น, นะะแล้วก็ต้องเลื่อนมันให้พุโทโธชนมันไปเลยครับมาครับบางทีวัฒนธรรมมันต้องเตรียมโปส เ, เชอร์เตรียมไรมันต้องคิดต้องอ่านมันก็มันก็จะมันก็จะออกนอกตลอดแล้วพอ มันก็ถวาจะดึงเข้ามามันก็ฟุ้งนะครับถ้ามันทำงานมันก็ยากนะครับะใช่ครับสมัยก่อนผมจะไม่ได้รับเลคเชอร์ไม่ได้เยอะขนาดนี้ตหลังมาพอพูดเยอะไอ้นี่เยอะมันก็รู้สึกมันก็ทำให้เวลาที่จะอยู่กับสติดึงเข้าข้างในน้อยลงพอถึงเวลามันก็ไม่ค่อยมีกำลังกับอ๋อมันคิดมันก็คิดไปใหญ่เลยมันใช่ครับใช้ครับใช่ครับใช่ครับ ใ่ครแต่ก็เห็นความสงบกับความปลุลกนะครับมานั่งมันขอนไปคุยกท่านปั๊บก็ดีครับท่านก็มาฟังดูแล้วเออแล้วท่านก็กำลังมองว่าอไอข้ขันขันห้าไอ้ขันสี่รูปเวทนาเอ้สันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณจริงก็เป็นความปลุกที่ออกไปนะครับแล้วก็มีไทม์กับสเปซที่ท่านอธิบายตอนแรกีปฟังเราไม่เข้าใจแต่ว่ามานั่งนล่วก็ทําังเข้าใจว่าเออมันก็เป็นนี่ ทุกอย่างก็คือเป็นเจติมันออกไปไปปลุกออกไปคิดก็เป็นสังขารไปรับรู้เป็นสังขาครับมันเป็นตัวเดียวกันครับนะแล้คือเป็นความไปปรุงกับความไม่ปลุงเราต้องมาอยู่กับความไม่ปลุงอยู่กับความสงบใจเข้ามาข้างในแต่มันไม่มีกําลังตัวสติก็ต้องไปปรับปรุงตรงนี้ก่อนเลยแบกเบิกเสียน้ ครับซต้องไอซ้อมเบรคครับใช่ครับต้องต้องมามีเวลาติดสวัสดีมากคุตอนนี้ก็เลยกลับมาก็เลยพยายามพยายามกลับมาเหมือนเดิมแล้วคุยใกล้เสร็จถ้าถ้ามาเขียนก็อยู่ไปที่เขียนเดินอยู่ไปที่เดินก็แต่ตอนคิดต้องเตรียมสไลด์ก็ผมต้องปล่อยแล้พยายามมานั่สมาธิห้มาคิดครับแต่ที่ต้องที่ยังเป็นต้องเขียนนะครับนะครับยืนอยู่ในวงวง มงของวิชาการไปครับมาครับครับโอเคอาตุงครับผม อ, อ, อ่คุณเน่งเชิญคุณเน่งก็จะมองยังไงมาฟังเทศให้หน้ากุฏิดีไหมกลาบนวัการพระจารย์ค่ะดีเจ้าค่ะพระจารย์เพราะว่า อ, อ่ที่ที่ยมหายไปแล้วก็พอวันนั้นที่เข้าสู่วันพุธตอนเช้ายม ไม่ขี้เกียจแล้วเจ้าค่ะตีห้าเด้งตึ้งขึ้นมาเลยจากที่แบบว่าต้องแบบขี้เกียจลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวก็อ่อเริ่มกลับมานั่งสมาธิได้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้กำลังใจจากพระอาจารย์นะเจ้าค่ะออนีมีความรู้สึกว่าเอกระแสธรรมนี้มันทําให้เราแบบว่ามันทําให้เราแบบว่าปฏิบัติได้จริงได้สติอืเจ้าค่ะแต่ว่าสติโยมอาจจะแบบว่าตอนนี้มันถดถอยมากเจ้าค่ะ มันมีอาการหนึ่งซึ่งมันโผล่มาซึ่งจริงๆโยมไม่ฝันมาประมาณสี่ห้าปีแล้วเจ้าค่ะมันคือไม่ค่อยฝันอะไรกับใครเขานะเจ้าคะแล้วก็มีได้ส่งของไปถวายพระที่ต่างจังหวัดแล้วมีสนทนาธรรมกับท่านบ้างท่านท่านก็ทราบว่าโยมปฏิบัติท่านท่านชอบถามว่าเราปฏิบัติจิตมันละเอียดขึ้นอ่ะเราสังเกตเห็นคนรอบๆไหมรั บ, บรู้ได้ไหม แต่โยอมแบบยมรับรู้ไม่ได้หรอกโยอมบอกแ ต, แต่ในใจยมนะยมคิดว่าเขาจะเป็นไงก็ช่างเขาช่างเขายอมไม่ไม่ไมปนสดหรอกว่าเขาจะแบบมียังไงอะไรอย่างนี้จะจะมีกระแสอะไรยังไงยอมไม่สนใจไงแต่เขาบอกว่าอวันเนี้ยเป็นวันโกนนะลองสังเกตดูว่าตัวเราอะ่ะมันมีอะไรแบบมีอะไรไหมอะไรเงี้ยพระคุณเจ้าโยอมก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าวันนั้นนะคะว่าคุณเจ้ามันตรงกับวันโกนพอดีเลยอะ ไม่รู้ว่าเพราะว่าท่านคักมาหรือเปล่านะเหมือนโยงฝันร้ายพระคุณเจ้าพอโยงฝันร้ายปั๊บเนี่ยแต่ฝันร้ายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีสางเจ้าค่ะฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องคนใกล้ๆตัวอาจจะเป็นแบบคนที่เราอาจจะแบบคิดไม่ดีกับเขาหรืออย่างเงี้ยค่ะไว้อยู่แล้วอาจจะแบบมีความขุนข้อหมองใจมันก็ทําให้โยงรู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันนิดหน่อยแล้วยอมก็ตกใจตื่นมาตอนตีสองแต่ว่าใจของโยมอะ่ะมันวิววิว ว, ว, ว, วเหมือนกับว่า มันมีอาการแบบว่าคลายว่ากลัวสุดขีดอย่างเงี้ยพราะคุณเจ้ายงก็แบบพยายามดึงจิตมาที่พุโทโธนะเจ้าคะแต่มันไม่อยู่พราะคุณเจ้ามันเหมือนสติแตกไปเลยมันมีความกลัวอย่างบอกไม่ถูกเพราะคุณเจ้ายงก็แบบอะไหนดูซิว่ารอบๆเป็นยังไงยมก็เห็นสามีนอนอยู่อยู่ตรงนู้นลูกก็นอนอยู่ตรงนี้แล้วเรากลัวอะไรเนี่ยก็แบบพยายามคิดนะพระคุณเจ้าแต่ยงก็ ยังกลัวอยู่พระคุณเจ้าแต่เหมือนสติมันหลุดไปเลยอะค่ะมันมีความกลัวอย่างมากยมก็อุ้ยพรุ่งนี้วันพระไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องรีบไปทำบุญนอนเลยแล้วกันยมก็เลยแบบไม่ได้มานั่งสมาธินะพระุเจ้ายมขุมโป่งแล้วยมก็หลับไปเลยอะเจ้าค่ะ <c oughs> ทีนี้ว่ายมก็แบบว่าอาการที่ยมคิดอนะมันทำให้เห็นว่ายมแบบสติอ่อนมากอะ่ะถ้าอย่างนี้ยม เกิดคิดว่าโยมท่าอะคนอื่นเขาลองไปไปปฏิบัติลองในป่าช้าในป่าถ้าโยมเป็น ย, ยงนี้โยมบ้าแน่เลยมันเหมือนแบบสติมันแตกอะพระคุณเจ้าแล้วกลัวขึ้นมาเจ้าค่ะมันทำให้เห็นจิตตัวเองที่มันมันยังไม่ได้เข้มแข็งอะไรเลยมันอ่อนแอเจ้าค่ะแล้วก็มันก็ฟ้องให้เห็นว่าโยมอะเหมือนสติน้อยแล้วก็โยมจะกลับเรียนถามพระคุณเจ้าว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกอะโยมจะ ก้กยังไงดีเพราะว่าโยมเคยเป็นเจ้าค่ะอันนี้แต่มันไม่ใช่บ่อยนะเจ้าค่ะมันจะเคยเป็นอยู่ค่ะ น, น, นานๆแบบหลายๆปีจะโผล่มาอย่างเงี้ยกลัวสุดขีดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกับนรักสการเจ้าค่ะขอคําแนะนำเจ้าค่ะก็แก้แบบที่เราเพิ่งแก้ไปเนี่ยังไงนะก็ ม, ม, าา ม, มันผ่านมาได้ไม่ใช่ไมมันผ่านมาได้แต่ว่ามันผ่านมาเหมือนกลัวเจ้าค่ะแล้วก็นอนคุมปโปงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ มันควรที่จะแบบสู้กับมันไหมเจ้าคะหรือว่าปล่อยมันไปกลัวก็กลัวก็นอนเลยละกันอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะถ้าสู้ก็ต้องสู้ในสติตก็ตรอพุทโธพุทธพุทโธไปก็วัดใจตอนนั้นเลยเดี๋เจ้าคะ<ช>ว่าแบบเรามานั่งแล้วก็แบบอลองดูที่มันจะหายไปกับความกลัวตอนนั่งไหมอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะอา่าแล้วก็อย่านอนแล้วก็ใช้พุโทโธพุทโธไปนั่งสมาธิพุโทโธไปยังก็ไม่ ก็ไม่รู้ว่าวันคือตอนนั้นอ่ะไอความกลัวมันโผล่มาให้เห็นแล้วแล้วโยมก็ยังแบบหนีมันอีกแทนที่เราจะแบบสู้กับมันดูซิว่าพุโทโธจะผ่านไหมแต่โยอมก็เหมือนกับแบบแลกๆดึงมันไม่ผ่านนะคะคุณเจ้า ม, มันต้องใช้พุโทโธด้วยแล้วใช้ปัญญาด้วยว่ายอมตายยังยังมากก็ต้องตายคนเราไม่ช้าก็เหลยก็ต้องตายถ้าถึงวันเวลามันจะต้องตายก็ยอมตายถ้าถ้ายอมตายแล้วมันจะหายกลัวที่กลัวสัญญากลัวความตายกันนั่นเองเดีวค่ะ มันเป็นความกลัวที่มันลึกอยู่ในจิตที่มันสะท้อนออกมาเจ้าค่ะอืถ้าเป็นไปได้ก็ใช้พุโทโธแล้วก็ใช้ปัญญาสักด้วยพุโทโธพุธโทโธไปแล้วอา้าวยอมตายไหมอยู่กับพุโทโธเนี่ยถ้าวันนี้ถึงเวลามันจะตายก็ ต, กต้องยอมตายไหมแต่เราจะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปจะไม่จะไม่หนีไม่ถอยเจ้าค่ะอืไว้แต่ ไวถ้าเกิดเกิดอีกนะคะยมจะลองลองภาวนาสู้แล้วก็ลองอยอมตายแล้วดูความตัวไปเจ้าค่ะใช่ถ้าเรายอมตายแล้วเราอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยใจก็สงบแล้วมันก็หายไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทอดแานแข็งแรงเจ้าค่ะอ่านะทุกท่านคนเสี่ยวหมีไม่ทราบชื่ออะไรคุณเสียวหมีคุณนิ้งเขาป่ะครับคุณคุณนิงครับ กูนี่ไม่ได้ใส่ชื่ออะไรไม่รู้เป็นใครได้ยินไหมคะพระอาจารย์ได้ยินอย่าดัดางปังกันเราั้งสิบนะคะอาจารย์ไปเรื่อยๆก็มีมีในเรื่องของสติเตลเดินบ้างนะคะพระอาจารย์ก็เป <ใน S 1> ็นธรรมดาสติยังไม่มั่นคงมันก็ยังเหมือนล้มลุกคุกคานอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายาม พอเรียกมาได้ก็ไม่ได้คิดก็ทำตามที่อาจารย์บอกเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เรามันทำให้ตเตลิดทั้งตัวเองก็ไม่ได้มั่นคงถึงขนาดนั้นหนูครับมาจะเลยรู้ว่าเราจะต้องต้อ ง, ต, องต้องทำพยายามทำต่อไปค่ะอาจารย์ อ, อันนี้ก็คือว่ามันถูกไหมคะพอเรารู้ว่าสติ เราไปแล้วเราก็ต้องเรียกกลับคืนมาอะไรประมาณนี้นะคะพระ อ, อาจารย์มาอยู่กับเราได้ราไปยังเรีนธรรมะง่ายต้องขยันยนะยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนะคะพระอาจารย์ตั้งแต่ตื่นตอนทีนี้พอเวลาเห็นอะไรที่อยู่ในตาบางทีมันก็เอาไปคิดละอะไรอย่างเงี้ยนะคบพระ อ, อาจารย์อันนี้ก็กลับมาพุโทโธม า, ากลับมาพุโทโธมาข่ากลับมาพุทโธใหม่ใช่ไหมคะมพระอาจารย์ เขาพยายามที่จะจะทําตรงนี้เขาคิดว่าไปไปได้เรื่อยๆค่ะพอเวลาที่เรามานั่งก็ก็รู้สึกว่าเราสงบง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์ไม่มันเหมือนกับว่าไม่ได้ฟุ้งซ่านเหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ อ, อันนี้ก็ถือว่าถูกแล้วถูกแนละ้วแสดงว่าเรามีสติมากขึ้นนะความฟุ้งซ่านน้อยลงนะใช่ไหมค ร, าารับพระอาจารย์ขยายพุโทโธไปเรื่อยๆพยยามพุโทโธไปเรื่อยๆค่ะค่ะ นูก็เลยว่าอ๋อไม่ต้องไปคิดอะไรเอาขั้นนี้ก่อนก็แล้วกั น, นอขั้นที่สําคัญที่สุดมันกอ่อไข่ก่อไข่ถ้าอย่างก่อไข่ก่อไข่ไม่ได้ไปมันจะไปอาไ่านไปเขียนอะไงอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ค่ะพระอาจารย์นูก็เลยว่าอ๋อเอาเอาเอาขั้นนี้ก่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วก็ฟังธรรมะอะไรเงี้ยไปเรื่อย ๆ, ๆนะคะเพราะว่ า, วาตัวเองเกล้าเก้านิสยัยมิด เกากิเลสเกลาอะไรเยอะแยะมากมายนล่นที่อยู่ในชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมาจะให้มันไปไปไ ป, ไปตอนนี้มันก็คงง่ายผมก็คิดอย่างยากอาจารย์ก็ต้องถ้าไม่มีสติเหมือนว่าขัดเก่าไม่ได้นมันจะไม่มีแรงสู้กิเลสถ้ามีสติแล้วมันก็จะขัดเก่าได้การเกากิเลสได้ค่ะอันนี้ก็เราจะต้องฝึกตะโกไก่ขอไข่นี่ก่อนให้มันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ <ข>อาร<สบ>ที่จะการที่จะเดินจะเวิ่งเราต้องหันยืนให้ได้ก่อนทานก่อนทานทานหันยืนให้ได้ก่อนค่ะพระอาจารย์นูราคิดว่าเอ๋โอเคอันนี้ก็คงจะมาถูกทางแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไปบ้างแต่ก็คือมันไปน้อยลงมันอาจจะไปบ้างก็คือให้มันไปน้อยลงก็ถือว่าของมันมันโอเคแล้วใช่ไหมครับพรอาจารย์ใช่เพราะว่ามันมันมีหลายเรื่องนะเพราะว่าไหนจชั้น ใะะช่แล้วก็อยู่ที่ว่า<ม>เรามีภาระมากครับน้อยถ้ามีภาระมากมันทํําทามันก็จะเชื่องช้าไปพลาะามันไม่มีพอถ้ามีภาระน้อยมีงานน้อยมันก็จะมันก็จะไปได้เร็วกว่าค่ะก็ต้องพยายามทําอ่ะครับอาจารย์พยายา ม, มให้ตัวเองอะโอเคไม่เป็นไรคร<ม>ับอาจารย์ค่อยท<ำ>ําอ่าก็มไม่มีอะไร อารย์หนูก็จะปฏิบัติต่อไปนะคะพระอาจารย์ก็จะพยายามมีให้ไหนมีความสํำเร็จให้ท่า น, นนะขอบคุณพระอาจารย์คุณโยมหญิงวิรัยพลสายสองอไปโกนมาแล้วเหรอบวชเสร็จแล้วเหรอบวชเสร็จแล้วจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่งกลับมาวันที่สามเจ้าค่ะอะเป็นยังไง ก็ได้สภาวะดีมากเลยค่ะพระอาจารย์เดวันที่เรากลับมาออกออกจากถือศีลแล้วอะพอกลับเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วอะค่ะครั้งแรกที่ขับถนนเข้ามาสึกว่าโอ้โโลกมันวุ่นวายเนาะพระอาจารย์เนาะแบบคล้ายกับว่าเราเราสงบอยู่ในอยู่ในอยู่ในผ้าขาวอะค่ะพอมาโลกสูขหูมันวุ่นวายมากเลยนึกถึงแบบโอ้พระอาจารย์แบบคือชีวิตที่อยู่ใน ในถือศีลดัทุกวันมันมีความสงบมากเลยค่ะพระอาจารย์กินง่ายอยู่ง่ายชีวิตไม่ต้องมีอะไรมากเลยพระอาจารย์ค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ไปที่กุงิราราวหนาวมากพระอาจารย์ประมาณ6องศาก็ได้ฝึกฝึกใจฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไปบาลังแรกวันแรกนา น, นาทีแรกที่เข้าไปนั่งก็ก็สมาธิดีมากเลยพระอาจารย์แบบคือทุกอย่างมันมันนิ่งมันสงบอะค่ะพระอาจารย์แล้วเราดูลมสักพักนึงมันก็ มันมันเร็วมากพระอาจารย์แล้วก็ไม่มีความสึกว่าอาคารที่เราฝึกมามันมันก็เป็นเหมือนเดิมพระอาจารย์เหมือนพอเราดูลมเสร็จแล้วแล้วมันนิ่งมันหายมันละเอียดมันว่างแล้วสักพักเราก็รู้ที่ว่าทุกอย่างตัวเราอ่ะมันเหมือนกันรวมกันเป็นหนึ่งมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้มันเป็นตืดตืดตืดอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมก็ดูก็แค่รู้แล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆแล้วสักพักนึงอ่ะค่ะพอมันนิ่งเสร็จก็เหมือนกันลมอ่ะค่ะพระอาจารย์โยมก็ไม่รู้ว่ายังไงคือลมลมเขาเล่นเหมืแต่ว่า เขาก็พอเขานิ่งพอเขาหายจากที่รวมธมาทิรวมรวมติดไปที่มันที่มันดูดทั้งตัวแล้วค่ะมันแยกไม่ออกแล้วก็พอมันนิ่งเสร็จมันก็มีความรู้สึกว่าลมอ่ะพระอาจารย์มันวิ่งขึ้นแบบแบบพอเราสูดลมเข้าปุ๊บท้องมันก็จะออกแต่ว่ามันจะวิ่งขึ้นบนจนสุดแล้วมันก็นิ่งอีกอ่ะพระอาจารย์แล้วมันก็นิ่งนานมากค้างไว้นานมากจนสภาพผ้ามันก็จะปล่อยออกมาจนแบบเหมือนกับว่าท้องเราติดข้างหลังเลยเพราะฉะนั้นลมก็มองเขาอยู่อย่างนั้นนะค่ะ แบบขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็นิ่งแล้วก็ขึ้นลงอยู่เนี่ยค่ะก็มองไปเรื่อยๆจนตอนหลังแล้วก็นิ่งไปอีกอย่างเงี้ยโยมก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะมองลมอันนี้คือเราเอาจิตส่งออกเราต้องย้อนกลับมาดูใจเราใช่ไหมคะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เราดูสภาวะที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะแต่โยมไม่รู้ยังไงจะไปไงต่อเจ้าค่ะอ๋อถ้ า, าดูลมแล้วก็ดูลมอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็อย่าไปสนใจ แต่มันมันไปรู้เองอ่ะพระอาจารย์คือเราไปดูเองรู้อย่าไปตามรู้แม่มันมาก็เราก็ตอมมาที่ลมอย่าไปอย่าทิ้งลมมอา อ, อยู่กับลมไปเรื่อยๆอยู่กับลมออแล้วทุกอย่างที่อยู่กับลมอ่ะพระอาจารย์ก็ยิงถึงได้รู้ว่าลมมันมันพุ่งขึ้นแบบว่ามันมันหายใจแบบแบบว่าหายหายใจเข้ายาวแล้วก็นิ่งค้างแล้วก็หายใจออกยาวแล้วก็นิ่งค้าง มันเล่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วพระจ่าก็รู้ตามตามตามความจริงไปไม่ต้องไปบังคับลมอ๋อค่ะก็คือดูเขาไปเรื่อยๆอดูเฉยๆอย่าไปบังคับให้สั้นหรือยาวปล่อยให้เาเป็นบดตาธรรมชาติของเขาเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ดูเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆใคะเขาจะรู้ว่าไม่แล้วต้องกลับมาที่ลมก็นั่งดูที่ลมอย่าไปดูอย่างอื่นเงอ๋อก็รู้ว่ามันยาวแล้วก็หยุดหายแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ขึ้นหยุดหายออกหยุดหายก็ดูไปอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้คือจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้แหละก็ดูไปอย่างเดียวอ๋อได้ค่ะเราเราเราห้ามแบบคิดเป็นไปรักหรือว่ามันบังคับไม่ได้มันเราเราไม่เลยใช่ไหมคะพระอาจารย์เอาดูเฉยๆดูเฉยๆค่ะเหมือนนั่งดูหนังดูเฉยๆอ่าใช่โอเคค่ะพรอาจารย์งนั้นดมก็ทําถูกแล้วแล้วก็พอ สมาธิอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะพระอาจารย์คือลุสามสี่วันอาการแบบเดียวกันตลอดแต่ว่ามันแป๊บเดียวแล้วมันก็เข้าเข้าถึงพระอาจารย์แล้วก็ส่วนวันสุดท้ายก่อนสองวันก่อนกลับก็แค่รู้เวทนาโยมนั่งได้เป็นสิสามชั่วโมงแต่ก็เราก็รู้ปวดก็รู้ว่าปวดแต่ใจมันก็แยกอะเห็นเห็นปวดเห็นใจก็มันแยกมันมันก็รู้แต่ว่ามันมันไม่สามารถหายขาดเหมือนเหมือนที่เราเคยผ่านเวทนาได้แต่เราก็อยู่กับมันได้เป็นชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ ก็ได้ก็ใช้ได้ถ้าอยู่เฉยๆได้ก็โอเคอ๋อค่ะได้ค่ะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีพระอาจารย์สงบมากแล้วก็เบาหัวสบายมากเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องวิผมนะไม่ต้องไม่ได้ดวีเลยนะแล้วก็เวลาออกไปนอกกลมก็ไปอย่างนี้แหละถ้าร้อนมากมันจะร้อนแล้วโดนแดดมันจะร้อนหัวมากเลยพระาอาจารย์เราก็ใส่หมวกเลยแบบว่าสงสารจาแฟนนะคะพระอาจารย์ตอนตอนเช้าอ่ะโยมโยมแบบกลางคืนโยมจะชอบปวดหลังใช่ไหมคะแล้วโยมก็ต้องลุก เปียนท่านอนโยงก็ต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งหลับเงพระอาจารย์แล้วก็แล้วโยงก็จะผมพ้าขึ้นมาผ้าผมก็จะสีขาวเราเป็นคำแปล น, นะคะเขาเปลี่นมาพระอจาจารย์ก็มองก็ตกใ จ, กใจกบอกอุ๊ยนึกว่าดาราเลามาโ <c oughs> ยงก็บอว่าทนหน่อยนะอีกปีเดียวเดี๋ยวผมก็ขึ้นค่ะนมก็ปล่อย <c oughs> ไปยค่ะแต่กแค่สงสารเขาเฉยๆข่าวพระอาจารย์แโยงมีความสุขค่ะสงบมากพระอาจารย์เราไปอินเดียก็ทําบุญแบบ คือทานสินพนาโยมทำครบหมดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วคือพระอาจารย์เสียงพระอาจารย์โยมยังฟังทำพระอาจารย์เลยค่ะตอนโยมกลับมาจากอินเดียก็มาอยู่ที่วัดมหายงต่อโยมก็พอวันสองโยมก็ฟังของพระอาจารย์ฟังเสียงพระอาจารย์แล้วยมอบอุ่นค่ะพระอาจารย์ขอบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์รักษาภาตขันนะคะโยมจะปฏิบัติต่อจ้ะค่ะก็โยมบางใจได้ดีมากมากเลยอะไรเกิดขึ้นโยมก็เฉยเฉยก็เฉยเฉยทุกอย่างเฉยได้เหมือนเลจ้ะค่ะ ยาดีจ้ะค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะอันนี้คุณบีใช่คุณบีมสกันค่ะอาจารย์หนูมีคำถามป่ะมีคำถามค่ะปกติหนูก็ปฏิบัติธรรมแต่ว่าเพื่ออิญช่วงนี้หนูลาวอยุดหนึ่งปีหนูก็เลยไปโรงเรียนโขนนะโขนฝนนะคะทายดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกสมองแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรหนูก็ไปนั่งเรียนแล้วมันเป็นการผิดหรือเปล่าคะถ้าเกิด ด้านหนึ่งหนูปฏิบัติธรรมอีกด้านหนึ่งหนูดันไปเรียนโหดแล้วไปช่วยเพื่อนอะไรตอนนี้แต่ว่าไม่ได้เก็บตังค์นะมันผิดหรือเปล่าหมอวันนี้เรียนหมอดูเะใช่ใช่ใช่มันผิดกับการปฏิบัติปะคะถ้มันไม่ผิดละแต่มันมันมันมันมันมันมันมันมีข้อสทานมันง่ายๆ พอดีหนูว่างพอดีหนูลาคอยเดยมาปีนึงหนูก็เริมไม่ได้ทำอะไรก็เลยลงเรียน ก, ก, ก็ปฏิบัติให้มากขึ้นไปได้ทำไม่เรียนทํำไม่เรียนทำมาเรียนประศึกต่างๆอ่านอ่านอ่านแทศอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ที่สอนวิธี<อ>การปฏิบัติไม่ดีกค่ะ<อ>เราต้องเรียนทางพุทธศาสนาด้วยระยดแล้วก็ปฏิบัติ เขเรียนว่าสมาธิเป็นยังไงอริยสัจสี่เป็นยังไอองไอะไรพวกนี้ต้องเรียนพวกนี้อย่าไปเรียนพวกโขนเลยมันเป็นคนละทางกันล้ะคนละเรื่องกันอ่ะเดี๋ยว ม, มพื่อช่วยคนเขาด้วยเผื่อเขามีความช่วยเหลเอาเอาธรรมะช่วยดีกว่าเรื่องโขนี่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องโมเมทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องความจริงเอาความจริงมาช่วยคนดีกว่าได้ได้ค่นะอาจารย์ เรียนอาลีอัสัตสีนิบาตเรียนตรยรักนีิบาตเข้าใจหมั อ, อนนี้ลองเรียนให้เข้าใจก่อนอแล้วเห็นเห็นธรรมะว่าเป็นของวิเศษสามารถดับความทุกข์ใจได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อไปอไโอเ ค, อ, อ, เคอันนี้แหรอเท่านี้ค่ะโอเค อไปดีป็นปางวะไรเชิญคุณปางวะไรเสียาชา้าค่ับนิมัมสกามจะข่าพระอาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ไปฟังธรรมพระอาจารย์นะจ๊ะคะ<ม>แล้วก็จะมีช่วงที่ตอบคําถามนะคะก็เจอคุณผู้หญิงที่ที่เราได้รับฟังปัญหาของเขาที่เขาโดนรบชนนะคะ<ม>ในในขนาด น, นั้นนะคะโอ้ปลาไหลูฟังอะ่ะหนูหันไปมองหนูก็แบบเกือบจะน้ำตาไหลเหมือนเหมือนเราเอาเอาเวทนาไปจับไปจับ จากเหตุการณ์เขาค่ะหนูก็รีบหันกลับ ม, มองพระอาจารย์ค่ะหนูก็หนูก็เห็นว่าพระอาจารย์ไม่ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสแต่ว่าโฟกัสที่ที่ทําอธิบายอะไรเงี้ยคะแล้วก็ตอบคําถามมันก็เลยเหมือนกับแบบขดขึ้นมาได้อ่ะค่ะว่าเออเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราใช้สติแต่ว่าเราอย่าไปใช้ความรู้สึกไปไปจับพอใช้ความรู้สึกจับพวกมันก็จะทําให้เราหลงไปเล ย, เลยะอะไรเงี้ยอันนี้เงี่ยพอพระอาจารย์ตอบคําถามก็เป็นคําถามที่ คือหนูก็พยายามฟังหนูก็ทําตามพระอาจารย์้ลยนะฟังแล้วหนูก็พยายามแบบนึกคาตอบในใจว่าคําตอบมันน่าจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะก็ก็เหมือนที่พระอาจารย์ตอบก็อย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นหนูที่สิ่งที่หนูฟังแล้วหนูก็นึกตามเงี้ยค่ะจากที่เรียนกับพระอาจารย์แล้วมันคือความความจดจาําหรือว่ามันเป็นที่เราแบบพยายามพัฒนทีสในเรื่องของการใช้ปัญญาเหมือนก็ต้องเหมือนก็อาจจะสองอย่างปนกัน มันจะมาดูก็ต่อเมื่อเราเราทุกข์เรไม่ทุกข์ถ้าถ้าถ้าเป็นปัญญามันก็จะไม่ทุกข์ถ้ามันยังทุกข์อยู่ยังยังเกิดอารมณ์อย่างที่เราไลา่ฟังอยู่ก็เป็นสัญญาเราเลิกแปลว่าเราต้องเป็นไปเราต้องมีใช้อุเบกขาวางเฉยไม่ต้องไปทุกข์กับเขาหนูหนูเข้าใจว่าพระอาจารย์ณขนาดนั้นคือวางอุเบกขาแล้วก็ใช้สติในการฟังคำถามด้วยใช่ไมเจ้าค่ะ อ๋อมันต้องใช้สติดตลอดเวลาค่ะหนูหนูก็เลยตอนนัค่ะดีใจมากค่ะก็เลยคิดว่าอ๋อพระอาจารใช้แบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยหนูหนูเลยเอากลับมาใช้บ้างหน่ค่ะแล้วเราก็กลับมาบ้านก็เปิดวิดีโอวนใหม่แล้วก็ดูใหม่ค่ะก็ะก็เห็นตัวอย่างปฏิบัติที่ที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะหนูก็เลยคิดว่าตัวนี้มันอับจะช่วยได้เยอะถ้าเรามีเรนาแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วภูมต่งกันแล้วที่เลยค่ะ เริ่มหลับตาเลยค่ะพอาปุ๊บหนูมองกพระอาจารย์ปุ๊บหนูก็หลับตาแล้วหนูก็เอาพอพอเราหลับตาเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาฟังธรรมแล้วให้หลับตาเนี้ยก็มีสติขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้เริ่มเรียนออนไลน์แล้วนะคะเป็นพวกออนไลน์ขายของเลยค่ะ้็เออไม่ใช่อ่าเอ่อไปจับธุรกิจพวกอ่าขายคอนโดขายสังหาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเอ่าตอนออกจากงานแล้วเราจะได้ทำสองอย่าง อ่าเข้ากันได้ไงค่ะอืมก็ทำรังอย่าไปทำมากเดี๋ยวออกมาทันนี้จะทำน้อยกว่าเราไปทำมากกว่าตอนที่เราไินมันเหลาก็ได้เดี๋ยวโรคความโล่งมันเกิดขึ้นนู่ดีกว่าได้เงินดีขึ้นเลยมันก็ทำใหญ่เลยอย่างนี้ใช่ค่ะก็มีโปรเจกต์ที่ที่เขาให้มาอย่างร้อยห้าสิบล้านสามสิบกว่าล้านเลยหนูก็แต่ว่า คนที่เขาชวนไปทําเขาก็บอกว่าพี่เดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะหนูก็แบบไม่ไปได้ไหมแล้วก็บอกทําไม่อะหนูบอกเออระว่งังนะคำพูดนี้มันทำมันล่ อ, อเราท่านใดวันเดียวจะถูกหลอกมั <c oughs> ้ะก็มลมลูกค้านะคะแต่ว่าห น, หนูจะตามมาเรียนกับพระอาจารย์เอาให้ใ ห, ให้ให้ได้ให้ได้ค่ะก็ไม่น้อยาา ง, งานงา น, งานทาั้งโลกทำไม่น้อยทําพอเลี้ยงปากเลี้ยงเข้าได้ก็พอ หนูจับประเด็นได้ยังไงนะคะอาจารย์เหมือนเหมือนกับเ อ, อพอขายใช่ไหมคะเราต้องไปหาลูกค้าแต่ว่าหนูจับเหมือนแบบเหมือนมีคอนเน็กชันแล้วก็บอกเขาบอกว่ามีห้องว่างห้องชุดว่างนะเท่านี้ร้านอะไรเงี้ยค่ะถ้าหาได้เอาไปเลยเปอร์เซ็นต์หนูเอาแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยหนูก็หนูก็กะว่าจะทําแบบนั้นนะจะได้แบบไม่ต้องไปนั่งหาไม่ต้องไปนั่งโพสตขายหรืออะไรมีเวลาแบบปฏิบัติได้บ้างอะไรเงี้ยอ่าก็ต้องระวังแล้วกันว่าเรทำเพิ่มเลี้ยงชีพเท่านั้นเอต้องการเอาเวลาไปปฏิบัติทาํา ได้เจ้าค่ะอย่าเลื่อมอย่าหลงทางเองค่ะนี่ก็จะพยายามไม่หลงทางนะพระตามพระจารย์ในว่าน่าจะแบบมีคนคอยแบบคอยเคาะสติตลอดเวลาเจ้าค่ะการที่ท่นท่านที่ทน้อยนงกลับไปทํามากขึ้นไปเองโอเคอ่าขอบพระคุณเจ้าค่ะอ่าที่ไปที่คุแนะต่อแนทชนบาเลใช่ไหมวันนี้ ขอบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคุณน้าจากคุณอะไรคุณตัวเหรอรับวประการครับต้าค่ะอาาค่ะมีอะไรไหมเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาพยายามทําให้ครบค่ะพระอาจารย์อ่าดีค่ะรับนั้วเข้ามาฟังธรรมครับเศรษฐาแต่ศีลห้าประจํา ทำทานเป็นประจำแล้วก็ภาวนะาเช้าเย็นก่อนนอนครับก็ของของคุณแนทเขาก็ ส, สีนห้าเป็นประจำแล้วก็มีสีนแปดสัปดาห์ละหนึ่งวันครับพระอาจารย์ครับมันพลาดมาถึงสี่แปดสี่แปดแล้วก็ไม่ทำอะไรนอกจากปฏิบัติทมฟังเทศฟังธรรมะอาจจะยังทำตรงนั้นได้ไม่คอมพลีทเท่าไหรค่ค่ะพระอาจารย์คือยังสีลแปดจะเป็นวันที่แบบไม่ไม่ได้ทำงานตอนเย็น เป็นส่วนมากหรือไม่ก็เป็นวันเสาร์ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ยังจะเป็นเหมือนศีลเจ็ดบวกยังไม่ได้แบบรู้สึกยังไม่คอมพลียแต่เดี๋ยวจะพยายามพัฒนาค่ะไ ด, ได้ไม่เป็นไรเริ่มต้นกันต้อ ง, ต, องต้องทำไปเท่าที่เราทำได้ไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มไปควรจะมีวันสักวันนึ่งไว้ให้ปฏิบัติทำได้อย่างเต็มที่ทั้ ง, ง น, นั่งสมาีิเดินโยก้องฟังเทศฟังธรรมไม่ไปทากิจกรรมอย่างอื่น อาจารย์ขอบพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอารย์ครับมันจะได้มันจะได้ก้าวหน้าไม่ให้มันก็จะไม่ก้าวหน้าครับอาจารย์โอเคนะขอบระอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ไปที่คนบ้านบุญบ้านบุนะบ้านบุญจะเป็นใครเอ่ยอ๋อณบ้านบุญเป็นยังไงเอาลูกชายเข้ามา ยังไม่นอนเลยนเด็กกันนะยังไม่ได้เปิดเสียงเลยเปิดใบหน่อย<ม>อเปิ ด, <ม>ปดแล้วเปนไม่ดีนครับอ่าได้ินแล้วครับมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีคําถามครับอ่าวันนี้ลูกชายคนโตมาด้วยเหรอมาค่ะอ่านหนังสืออยู่ข้างล่างใกล้ๆกันค่ะรอคอยจะโอเคตั้งใจเลยหนังสือหน้ายืน ใ, ให้เก่ง <c oughs> เออเอ่อฟ้าจะมีอะไรจะแนะนำไหมครับอ๋อใกล้ขนะยันเรียนหนังสือนะขยันทําการบ้านแล้วก็ช่วยแม่ทํางานอย่าเล่นมากเกินไปนะอย่าเล่นเกมอย่าดูทีวีมากเกินไป <c oughs> ช่วยแม่ทํางา น, นงล้างถ้วยล้างชามปัดบ้านจุ่บ้านครับดีหมครับทาได้ไหมได้ครับ อ่านะรับปากกวนนะบอกได้นะอย่าโกหกนะเดี๋ยวแม่ก็มาฟ้องเรานะะโอเคมีคําถามไหมป่าไม่มีค่ะแล้วแต่พระอาจารย์จะแนะนําได้แล้วนี่พี่สำหรัพิจารณาความกระยันมันเปนดีที่สุดนะกระยันในหน้าที่การงานของเราคอเคอ่านทีนี้นะ่อโอเค ไป oh. ที่แมรีแลนด์กุลเซเลนทานซิลเวอร์สปริงเจ้าค่ะ mm hmm. ยมรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของซูมิทติ้งของพระอาจาร mm hmm. ย์ยมรู้สึกว่าฟังแล้วมันใจมันเต็มอะคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันมีปิติมันเป็นกำลังใจให้ตัวเองในการปฏิบัติ mm hmm. แล้วก็ธรรมะมันสองเย็น ฟังแล้วสบายใจ <c oughs> มันฟังที่ความสุกแล้วมันรู้สึกเต็มมากเลยค่ะแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าโอนี่ตัวเองเนี่ยหลุดไปอยู่กับความหลงแล้วพอได้ฟังธรรมของท่านพระอาจารย์มันก็ดึงสติกลับมาค่ะว่าเออนี่เราหลงไปอยู่กับความความอยากความทุกข์แล้วก็มองไปถึงว่าเออเรารู้รู้ก็รู้ว่าที่เราเรียนมาก็คือมันก็เกิดจากอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่น ไม่ว่าจะทั้งกายเวทนาหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามแต่แบบต้องฟังธรรมะพระจ้านะคะมันถึงจะถอยกลับมาพอถอยกลับมาเราก็เริ่มพิจารณาใหม่พอเริ่มมีสติก็เริ่มพิจารณาว่าโอ้นี่ตัวเองหลุดหลุดออกไปต้องดึงต้องยกที่เลยดึงไปข่าพระจารย์แล้วไม่ไปโลกไม่ไปยาต้องนั่งสมาธิใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ มันนั่งไปสองชั่วโมงก็ยังมีแต่ความฟุ้งค่ะอาจารย์มันมันมันแรงกําลังกิเลสมันแรงเราก็รู้สึกว่าอุสติเราน้อยมากแต่ก็ทําจนกระทั่งถึงจุดที่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งฝันฝันแต่ในฝันเราก็พุทโธสู้กับมันในฝันด้วยค่ะอืมันจนมันหยุดไปพอมันหยุดไปเสร็จเราก็รู้สึกว่าเออเรากําลังเราน้อยลงไปเยอะเราต้องเราต้องกลับมาฝึกใหม่เราเรายอมแพ้ไม่ได้นีนะคะ เราเอ็นหอเข้ามาฟังทำมาอยู่ในห้องซูมแล้วมันมันมีกําลังใจอ่ะพระอาจารย์มันมันรู้สึกดีว่าเออเราไม่ใช่คนเดียวที่เราจะมาทางนี้เรามีอีกมีเพื่อนอีกเยอะแยะเลยซึ่งมีความรู้เหมือนกันต้องเจอเหตุการณ์ใกล้เคียงกันแต่ว่าทุกคนก็ใช้ธรรมะของพระอาจารย์ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าในการสอนตัวเองไปให้ได้ถูกทางยงรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆอ่ะค่ะพระอาจารย์ที่ ที่ได้มีส่วนร่วมได้มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตรงนี้ค่ะอแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับญาติญาติคุณอาค่ะเ อ, อถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วเขาสนใจคุยกันอยู่สองสามชั่วโมงเราก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราได้ชักชวนคนที่สนใจมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ยค่ะอมันเป็นความสุขที่ดีมากๆค่ะพระอาจารย์การได้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงค่ะ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์ต้องขออนุญาตจริงๆเอวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโยมค่ะพระอาจารย์โยมขออนุญาตได้ไหมคะพระอาจารย์อพรของพระอาจารย์จะเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดจะทําให้โยมเป็นกําลังใจในการมุ่งมันในการปฏิบัติต่อไปขออนุญาตขอโอกาสด้วยได้ไหมคะพระอาจารย์ก็ขอให้สุขไม่เจริญก็ให้พบกับวันไม่เกิดสาธุจ้ะ เป็นพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ยงเก็บไว้ในใจตลอดไปค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับการไม่เกิดค่ะเมื่อไม่เกิดทุกข์ก็จะไม่มีทุกขย่อมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังเกิดต่อให้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดีนก็ยังต้องทุกข์อยู่อย่าเกิดดีกว่าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็คนทุกๆท่านมีความสุขเช่นกันค่บทุกคนพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุจตุ ไปที่คุณกอล์ฟบาฟี่เปไ็นยังไงลดน้ำหนักได้หรือยังสวัสดีครับกับนายราชการครับอ่าตั้งประมาณ 12, 12สิบสองสิบสองสัปดาห์ครับกำลังวางแผนโ6เสกเป็นห5สิบห้าในในโปรแกรมบอกว่าประมาณสิบสองสัปดาห์สามเดือนครับ อ, อาทิตย์ละประมาณ กิโลหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยววันวันเสาร์ว่าจะลอง อ, อ, อดอาหารนะครับครั บ, บจะลองอดอาหารตามที่ ท, ที่เรียนไว้แต่ว่ามันจะทําได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ย ว, ยวทําก่อนแต่ว่าส่วนควบคุมน้ำนํำและควบคุมอาหารนี้ควบคุมก็เดี๋ยวจะเริ่มเริ่มนะครับอืมก็ถือศีลแต่ไปง่ายจะตายไปไม่นาน ส่วนั้แต่ดูอุปจารก็เอาสินข้าหกอนเดก็ได้ไม่ต้องสินแปดก็ได้เอาสินหกก็พอครับก็ก็คิดอย่างนั้นครัพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์แนะนําด้วยเพราะว่าช่วงช่วงนี้เงินเยอะก็เลยก็เลยกินเยอะเอากินวันละเมื่อแล้วหลังเที่ยงวันก็ไม่กินอะไรนอกจากดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวเครื่องดื่มอะไรก็ไม่ดื่มไม่ดื่มนั้งวัน ครับอย่างนี้ลดได้น่าแน่ครับอืมก็เดี๋ยวจะลองลองทาดูครับอืมครับก็ไม่มีอะไรครับอ่าทำได้ก็ดีนะไม่บัางครับนะเมื่อถามก็บอกไปแล้วนะใช่ใช่ก็เดี๋ยวคือไม่ไม่ได้รับปากก็ต้องไปปฏิบัติแล้วก็จะไปก็มันเป็นเรื่องที่ดีครับ อถ้าทําได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับผมด้วยครับอาจารย์แล้วก็ครับเราต้องการไม่ใช่ต้องการลดน้ำหนักไม่ใช่ต้องการครับเลยก็ทำเลยดิลดได้แน่เราประกันได้น้ําหนักมันมากก็เพราะเรากินมากถ้าเรากินน้อยน้ําหนักก็เราต้องก็น้อยลงต่างเหตุผลเห็นชัดเจนอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรลึกลับประดานเลยครับมัน หนึงเป็นการลดกิเลสลดความอยากด้วยครับใช่โอเคครับทุกครับครับครับคุณพุ้ยรักเสมอทำนมัสการกาพาจารย์โอเคมีอะไรไหม ไม่มีอะไรค่ะเจอกิเลสเอ่อกวนกิเลสใหญ่ๆแต่ว่าเอาอยู่คะัะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์สอนไว้ใช้สติเออโยมก็ใช้สติก็ผ่านไปได้ค่ะเมร่อว่าปกติแล้วยมก็ยังทึ่งอยู่ว่าปกติโยมมีอะไรโยมจะแบบจะล้นหลอ น, ลนเป็นคนที่แบบหัวร้อนแต่คราวนี้แบบใจเย็นขึ้นแล้วออยอมก็ปฏิบัติ รู้สึกใจมันก็บางทีมันก็นิ่งบางทีมันก็ไม่นิ่งอ่ะพระอาจารย์แต่แก้อยอมฟังพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับกำลังคำว่ากำลังและพลังนี้คือมันเหมือนกันไหมคะพระอาจารย์ตัวเดียวกันนะโอ้ เ, อเพราะว่ายมวันนั้นยมเผอเข้าไปใน t ิ k ตอกแล้วมีผู้หญิงอยู่คนนึงเขาบอกว่ายุยย่ยย่ย่ทํคคือคุณคุณทำาะไ้เนี้ยนะเอามือส่งพลังอะไรอย่างี้พลังเลยวะ เราก็ลึกในใจพลังอะไรว่าแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราเชื่อนะแต่ว่าเราไม่ได้งมงายอะพระอาจารย์แต่ยมเชื่อเรื่องพลังพลังพุทธคุณมากกว่าค่ ะ, คะมันยมก็โดนแบบโดนกิเลสแบบเกี่ยวกับเรื่องแบบโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีมันเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันเหมือนกับมีคดกรรมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาขวางกัน้น การปฏิบัตินะฮะเหมือนอย่างที่โยมพูดแบบว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบมันเหมือนคนบีบคอโยมอ่ะเรื่อยๆอ่ะแล้วมันเหมือนเวลาโยมปฏิบัติเนี่ยมันจะเหมือนกับอะไรที่มันมาแทงคอเหมือนมีเสมหาอะไรอย่างเงี้ยคะอืมอือฮะนองนั้นโยมก็ไม่มีอะไรค่ะโยมยังปฏิบัติเหมือนเดิมพระอาจารย์ถือศีลเจ็ดกลางวันศีลแปดกลางคืนค่ะเหมือนเดิมให้เต็มที่เลยนะ ใช่ยมยมไม่เอาแล้วสามีอ่ะพระอาจารย์ใช่อยู่สนุกคนเดียวเนี่ยอยู่ถือศีลไหมค่ะเดินตามพระอาจารย์ค่ะใ่่สาธุจ่าน้อมน้อมถวายบุญกับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะอ่าขอให้คุณพุ่ยศุกร์เจริญให้ร่ำรวยนะสาธุค่ะสุขสรรด์วันตรุจีนนะเออค่ะพระอาจารย์ใช่สาธุจ่าสิ่งทียอยู่อีสิ่งนี้หกใช้ น้อมรับค่ะโอเคไปได้คุณคุณหน่อยชัยนิตเป็นยังไงยังสี้นหกอยู่นะสอ้นเจ็ดอยู่นะกล่าวในมัชฌิ ก, การพระอาจารย์เจ้ค่ะวันนี้ได้สิ้นหกจ้าค่ะไปข้างนอกมาอดใจไม่ไหวหิวมากมแต่ก็จะนอนพื้นเจค่ะพระอาจารย์พื้นแข็งจังเลยอ่ะเอาขอจไ น, นจได้นอ น, จ ะ, น, อนจะได้นอนไม่มากเลยนอนไม่หลับเลยพระอาจารย์ดี จะเรียกลุกขมานั่งสมาธิแทนค่ะอาจารย์แต่นั่งสมาธิแล้วหน่อยหน่อยมีปัญหาตรงที่ว่าค่ะตัวหายแขนขาหายแล้วทีนี้หน่อยไม่แน่ใจว่าเป็นกิเลส ห, หรือเปล่าว่าเราหายไปแล้วทีนี้หน่อยจะพยายามรู้สึกตัวให้ได้อะเจ้าค่ะหน่อยก็ต้องอย่าไปพยายาม <c oughs> รู้สึกตัวให้รู้เฉยๆให้อะไรหายก็ปล่อยมันหายไปไม่ต้องไปกังวล แล้วจิตสงบมันก็จะทุกอย่างมันก็จะหายไปหมดเนืองแต่จิตตัวเดียว <c oughs> รู้นะเจ้าคะแต่ว่าคือก็พอกลับมาขาก็ชาก็เข้าใจอยู่แบบหายมันไม่หายไปนะ <c oughs> ทุกอย่างมันก็อยู่ที่เดิมของมันนะเป็นจิตมันไม่ไปรับรู้ใช่ไหมนี่ <c oughs> อ่ะอันนี้ซือจิต์เลสหลอกใช่ไหมเจ้าคะ่ะไม่หลอกหมันก็เป็นของจริงอ่ะมันก็เป็นทองที่เราเห็นอยู่ที่มันปรากฏให้เรารับรู้ เราก็รู้ไปทนะั้นั้นรว่าตอนนี้จิตเราไม่ไปรับูเรื่องร่างกายแนละ้วต้องต้องไม่ออกมาใช่ไหมเจ้าคะให้มันหายไปเลยมันจะหายไม่หายก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่องดูลมก็ดูลมไปอย่านั่งเฉยเฉยให้ดูพุทโธไปเรื่องดูลมหายใจไปส่วนอะไรจะหายอะไรจะไม่หายไ ม, ไม่ต้องไปคำวันไม่ต้องไปสนใจอยู่กับลมไป อ, มอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียว คือตอนนี้ไหนในสวดมนต์เอาเจ้าค่ะแล้วก็เจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยพอสวดมนต์ปุ๊อย่างที่ไหนบอกพระอาจารย์ว่าถ้าแบบผิดมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่เนี้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยมันจะกลายเป็นคอนเซนเทรตนะเจ้าค่ะในการสวดมนต์แล้วทีนี้ก็เลยทําให้เหมือนกับเข้าสมาธิเข้าได้เลยเจ้าค่ะไหนก็เลยแบบว่าเหมือนกับแล้วอย่างที่ไหนบอกพระอาจารย์แล้วขามันหายเจ้าค่ะไหนก็เลย งงมากต้องทํำยังไงแต่ท่านอ<พ>าจารย์อบอกว่าให้ดูไปก็ดูไปจ้ ะ, ะไม่รู้ไปมันหายก็รู้ว่ามันหาย <c oughs> ขอให้จิตนื่งอย่างเดียวเป้าหมายของการนั่งสมาธิให้จิตเนื่งไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆ <c oughs> ไม่ไปรับรู้อะไรต่างๆให้อยู่กับความว่างถ้ายังไม่ว่างแสดงว่ายังไม่เนื่องนะคะ แล้วอ่าอันนี้เป็นการสะสมในการใช้ปัญญาใช่ไหมคะสะสมปัญญายาม่ยังไม่ใช่อันนี้เป็นสะสมอุเบกขาให้มีอุเบกขาเยอะๆให้มีกําลังหยุดหยุดกิเลสส่วนปัญญานี้ยถ้าออกมาจากสมาธิแล้วมามองให้เห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นของชั่อข่าวไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีไม่ได้เป็นของใครเป็นของธรรมชาติเป็น มันเหมือนดินฟ้ากาไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้อยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้ถึงจะเป็นปัญญาอ๋อที่ผุดขึ้นตลอดนี้คือปัญญาใช่ไหมคะที่บอกว่าเดียยเด๋ยวก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายนย่างเงี้ยถเงี้ยเป็นปัญญาป <laughs> ุดเก<อ>่เเงมากเลยเจค่ะเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แก่ ให้สจ้าค่ะไหนก็คิดจนน่นะเี่ะทำไ ม, มค่อยผุดขึ้นเรื่อยเลยอ๋อเป็นปัญญ า, าที่ยังอยากจะได้อาตัดไม่เทียมไม่มีอะไรเทียมแท้แน่นอนให้ผุดขึ้นมาเลยเจ้าค่ะ ม, มีเกิด้อมีเกิอะไรมีเกิดย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาเต้องหาไม่มีอะไรจีรังยังย่งเย็นทุกคนในนี้ตายหมดอไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลมไฟั้งหมัน ตุ๊กตาร่างกายเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเราเป็นใจมาเล่นกับมันนั่นเองเอามาันอามาเอามาเล่นเดี๋ยวมันก็นตายแนละ้วแต่เราไม่ได้ตายเหมือนคนเล่นตุ๊กตาไม่ได้ตายเหมือนเจ้าค่ะวันนี้เนี่ยมีคำถามประมาณนี้สักค่ะโอเคอสาธุอาจารยกับสาธุอาจารย์นจ้ค่ะเวลาการจะหมดแล้วที่เหลือน้ํากดอีกสองนาทีนะ จอยยินดพระเถรองนาทีค่ะหนูก็เหมือนเดิมวางไว้ใส่บาตรบนพระเออแต่ว่าสินห้าสินห้าการด่ากันก็คือการผิดศีลใช่ไหมคะถ้าสินห้ายังไม่ผิดแลเพียงแต่วอันนี้มันเป็นสีนศีลศีลของพวกนักบวชนักบวชก็ไม่พูดคำหยาบกันแต่คารวะนี่ยังยังอยู่ในโลกของของคำหยาบอยู่ก็ พูดไปก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลเงเดน๋ยวไม่ควรพูดแต่ยัง ม, มันไม่สุภาพไม่แต่ไม่ไม่ได้ผิดศีลผิดศีลสีลมึงห้ามไปแต่แม่พูดโกหกแล้วไงหนูานจาได้หนูบีก็มีเสียงกันบ้างหนูก็เลยหนูผิดหรือเปล่ามึงบ้าง ก, กูบ้างนะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะขอใช่เด้อขอไม่เมียแล้วค่ะถ้ามีสติก็พยายามห้ามมันอย่าพูดไม่ดีพูดคาหยาบไม่ิแสดงว่าไม่มีสติมากกว่านะ มีแต่ว่ารู้ตัวแต่ก็อดก<อ>ันมั้ยใช่ค่ะค่ะสาธุค่ะโอเคอันนี้เป็นหมอสัตสนนย์ยันตุนธานีสบายดีเลยหมอยไม่ได้เปิด ห, หม่เลยปิดได้ไหม นมัส ก, การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ <Yeah. S 2> สบายดีเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะท่านระอาจารย์โอเคปฏิบัติไปต่อไปนะเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคไปที่คุณเกเบเลนเชิญคุณเกเบเลนมาปามนะอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่สงอขาค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะเข้ามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์คุณเข้ามาข้งแรกเลย ใช่ค่ะแต่ฟังทาง YouTube อยู่ตลอดเลยค่ะอาจารย์โอเคก็ติดตามไปแล้วก็ออกไปปฏิบัตินะค่ะโอเคสาทุกค่ะอาจารย์เหลือคนเกิดบันดิตเชียงเกิดบันดิตได้ยินไหมคุณหลังเปิดไม่เปิดเปิดวิดีโอไม่ไม่อยู่น ะ, อ, ะอยู่ครับอาจารย์พ่ออาจารย์ครับ พอดีครับศระตาจารย์ระบายดีครับศาสตาจารย์พอดีว่ากำลังเลีต่อกมนกให้นกอยู่ครับพอดีเมื่อวันอาทิตย์ไปทำบุญที่วัดไตแล้วมันหลงทางมาแล้วหลวงพ่อท่านบอกว่าที่วัดไม่ได้เลี้ยงก็เลยยื่นมาให้ครับก็เลยแบบเลี้ยงมันเอาบุญครับศาสตาจารย์อะไรน้กเหรอเป็นนกหลงทางครับผมเขาประกาศหาทางเน็ต ด, ด้วยครับว่าเตื่อมีเจ้าของครับอืมก็ยังไม่มีใครแบบ แสดงความเป็นเจ้าของครับก็เลยเลี้ยงเอาบุญไว้ก่อนนกอะไรเออมันเป็นนกเหมือนนกแก้วครับอาจารย์อ่ามันเป็นนกอะไรก็เรียกพันพอคาเทลอะไรสักอย่างครับอืมดีว่าปล่อยถ้าถ้าดีก็ไม่ต้องไปมันต้องไปขังกองถ้ามันอยากจะไปก็ปล่อยมันไปอ๋อครับอาจารยก็เอ่อตอนนี้ก็มันมันเหมือนมันดินไม่ค่อยได้ครับอาจารย์อืาแล้วก็น้องมันให้มันดีกว่า ใช่ให้มันเป็นอิสระดีกว่าอย่าไปกักขังมันไว้เลยถ้าไม่ัักนนอกจากเพื่อความปลอดภัยของมันแล้วมันก็ขังไว้แต่ถ้าถ้ามันมันมันไปได้ของมันเองมันอยู่ของมันได้ก็ทุกคนก็อยากจะไปอิสระนั้นได้ไหมใช่ครับแต่ว่ามันวันอาทิตย์ท่านเหมือนบอกท่านทางวัดไม่มีโยมไม่มีคนจะเลี้ยงให้ครับก็เลยก็แบบเออเอาไปดโมเอาไปดูแลหน่อยก็ได้ครับ แล้วก็เลี้ยงแบบอิสระภาพๆๆนะอย่างเงี้ยก็อยากจะอยู่ก็อยู่ก็อยากจะไปก็ไปไม่ห้ามครับอาจารย์ใช่ครับเพราะเหมือนเขาเหมือนเหมือนที่คนนึงที่รู้จักเขาเขาบอกว่าเออมันบางทีก็มีคนแบบเอาไปปล่อยวัดก็มีครับแบบไม่อยากเลี้ยงก็ไปปล่อยก็เลยไม่แน่ใจว่าเคสนี้อาจจะมาปล่อยหรือหรือมันหลงมาแต่คิดว่าน่าจะมารวมมาปล่อยครับแต่ถ้าแต่มันจะปล่อยมันจะมาแล้วก็เลี้ยงมันไปแต่แล้วอย่าไปกักขังมันนั้นเอ ครัพระอาจารย์ก็พยายามไปแต่เจ้านี้มันเหมือนคนมันลูกเยอะเหมือนกันครับก็พยายามหาจัดหาที่อยู่ให้มันอยู่ครับพระอาจารย์ใช่ครับโอเคนะไ ม, มไม่มีคำถามครับรพ ร, ระอ า, าจารย์โอเคพระอาจารย์เงนะครับยังไปที่คุณคุณแล้วต่อคุณแล้วเชื่อคาถามแบบนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดห้าคำถามจากทาง Facebook และ y youtube เจ้าค่ะ 3าคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกทุกไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดจิตต้องหยุดการอย่างลงสู่พบจึงจะไม่ก่อชาติชรลามรณนะทุกขโทมานัถ้าดับหนึ่งใน9ขั้นก่อนถึงพบด้วยอุเบกขาจากการเจริญสติปัฏฐานแล้วจิตจะหมดราคะโลภโทสะโมหะไม่ก่อภพชาติได้อย่างทาวรไหมคะ หรือต้องดับให้ไปถึงอวิชชาต้นตอเป็นวิราคะวิสังขารจึงจะหมดเชื้อเกิดคะกราบขอบพระคุณค่ะก็ต้องดับอวิชชาอาวิชชาเป็นต้นเหตุของการเกิดของการมต า, าระะตาาัณหาภาวาตัณหาเม่พภาวาตัณหาขั้นถไปถ้าผมนำเครื่องนำพระเครื่องติดตัวเพื่อเตือนสติตัวเองให้ทำความดีมันจเจริญสติ ม่ใช่ติดตัวเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังหรือขอพรใดๆแบบนี้ถือเป็นมิจฉาทิฐิหรือไม่ครับก็ไม่หรอกถ้ามีอะไรเป็นเครื่องเตือนสติให้เราทำความดีก็ให้เราประพฤติปฏิบัติตามคาสอนไม่ไดชเจ้าวว่าก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติไปคาถามต่อไปหากผมมีอกุศลจิตเช่นมีความอยากได้ หรือต้องการแก้แค้นหรือมีความคิดไม่ดีต่อบุคคลอื่นแต่ผมจับอารมณ์จิตที่คิดอกุศลนั้นได้และพยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพื่อละความคิดนั้นด้วยความคิดอกุศลนี้ถือว่าผมได้ทําบาปหรือยังครับจะส่งผลต่อการไปเกิดในภพภูมิหน้าหรือเปล่าครับกราบขอพระคุณครับยังเรอถ้าไม่มีการกทำทางกายทางวาจานี้ ถ้าเป็นมโนกรเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นบาปสองคำถามสุดท้ายจากคุณสิริมาคำถามที่หนึ่งน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกรณีสวดมนต์บทของหลวงพ่อโตเป็นภาษาบาลีระหว่างส่วนแบบเต็มกับแบบย่อจะได้ผลต่างกันไหนคะโดยการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกสติฝึกทำสมาธิ มันจะย่าหรือยำบทเด้นก็ไม่สําคัญขอให้สําคัญว่าส่วนแล้วเราได้สติได้สมาธิได้ความสงบหรือเปล่าคำถามสุดท้ายน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมคืออะไรเจ้าคะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะศีลก็เป็นเรื่องของข้อห้ามทางกายทางมาจาแต่ผิดธรรมก็เกิดทางใจ เป็นยัจะคิดคิดทำร้ายผู้อื่นเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไปทำอันนี้ก็แปลว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเราต้องไม่คิดต้องไม่คิดไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไม่คิดไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่างงี้ไหมโอเคนะก็คืออย่าไปโลภโกรธหลงพื่อน่ยอาโลภกรธหลงนี่ถือาเป็นเป็นการผิดธรรมนะแต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ผิดศีลเพราะยังไม่ได้มีการกระทำ